พระอาจารย์ครับการนมัสการครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยี่สิบเจ็ดนะครับพอาจารย์ครับประชาพระอาจารย์ไปวินทบาทฝนตกไหมครับพระอาจารย์ครับไม่ฝนไม่ตกฝนไม่ตกอ๋อเวานนี้ตกหน่อยแวันนี้ไม่ตกครับอาจารย์ครับแล้วคนไปใส่เยอะไหมครับอาจารย์วันนี้ ประมาณ400 431คนเป็นปกติวันอาทิตย์นะครับอาจารย์วันที่จะประมาณ400ขึ้นคสามวันนี้300กว่า300มันธรรมดาก็200นิดหน่อยแล้วตอนบ่ายล่ะครับอาจารย์คนไปเยอะไหมครับวันนี้ที่น่ากุฏิมีอยู่158 รวมทั้งที่ติดตามทางบ้านก็เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดด้วยันอ๋อครับวันนี้ผมก็ติดตามอยู่ครับอาจารย์ผมก็นั่งฟังอยู่ครับพักท่านอยู่ไม่แน่นะพรับาครับได้นั่งสมาธิด้วยกันหรอได้นั่งอยู่พักหนึ่งครับพอาจารย์นั่งนิ่งเลยคผมยังถ่ายรูปไปดูเลยครับอาจารย์ตอที่เขาถ่ายทอดนะครับผมได้นั่งอยู่พักนึงครับพอดีผมเดินทางอยู่บนรถครับอาจารย์วันนี้ครับ เพื่อจะพักจิตพัาใจมาสมาธินี่คือแหล่งของความสุขถ้าทําได้เนี่ก็จะมีความสุขไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกไม่ต้องไปหาความสุขจากการไปเสพนาบแยศระเสือนรูปเสียงกลิ่นรสความสุขทั้งโลกมันเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนทําให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความเสีย อ, อกเสียใจเศร้าโศกได้เวลาที่มันเปลี่ยนในวันุหม่ นะครับสุขจากสมาธิพอเราผลิตขึ้นมาได้แล้วเราก็จะผลิตขึ้นมาได้เรืยๆอันนี้ก็เลยตั้งหัวข้อเลยครับอาจารย์ว่าวิธีดูแลรักษาจิตใจให้มีความสุขครับทางกลับยันถามพระอาจารย์ว่าเราจะทํายังไงครับอาจารย์ครับคือพระเจา้าระส่งสอนวรริธีให้ใจมีความสุขก็คือต้องทาบุญชนิดต่างๆซึ่งส่งแสดงไว้ถึงสิบชนิดด้วยกันที่่าบุญญากริยาวัตถุ บุญกลี้ยววัตถุสิบประการในวันนี้จะลองไล่จากบุญซึ่งที่สูงสุดที่ับที่ที่ได้มากที่สุดะถ้าใครได้บุญที่มากที่สุดแล้วก็บุญเฉลยก็ไม่สําคัญบุญที่ได้มากที่สุดก็คือบุญที่มีความเห็นที่ถูกต้องมีสมาทิฏฐิเพื่อเห็นว่าเห็นเหตุเห็นผลว่าความทุกข์เกิดจากการกระทําบา ความสุขาจากการทำบุญได้ความเมตตาใจต่างๆเกิดจากกิเลสตัณหาถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็มากำจัดสามตัวนี้กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปด้วยการรักษาศีลละเว้นการทําบาปและถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ทําความดีทําบุญในรูปแบบต่างๆ เสียสละแบ่งปันทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วเราจะได้รับความสุขเพราะเวลาที่เราให้คุให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วเราจะเกิดความสุขขึ้นมาที่ใจเราที่เวลาเราทำบุญทำทานนี้เราจะรู้สึกอิ่มใจสับใจขึ้นมาหลักการ ป, ประการที่สามถ้าอยากได้ความสุขที่สูงสุดเราก็ต้องกําจัด ที่ทำให้ใจเราไม่สุขก็คือกิเลสตัณหาโมหาวิชาเราต้องปฏิบัติจิตนะตภาวนาทำหน้าจิตใจให้สะอาดคำใจคำโลมคมโกรธคำหลงนะถ้าเรามีถ้าเรามีสมาทิฏิมีคมเห็นที่ถูกต้องอันประกาศนี้เราก็ทำแค่นี้ก็พอนะักราศีอยึ่าลำบาน ทำบุนตามกาลังตามโอกาของเราเราเพื่อกาจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะการทําบุญทำทานนี้ไม่สามารถกาจัดกิเลสได้ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสความโลภความอยากยังมีอยู่แต่เมื่อทำบุญทําทานมากนไม่เพียงแต่กระตันการทำบุญทำทานจะให้ความสุขในระดับไม่ในระดับที่สูงแต่จะได้ระดับที่สูงที่ปราศจากความทุกข์เลย ก็ในจะต้อง ช, ชาวนาสนใจชนิเลยถ้ามี้ามีบุญชนนี้อยู่ในใจแสดงว่าเราอาจจะเคยเป็นท้าเรี่ยงมาแล้วแสดเป็นท่าโฟดาบปพอมาเกิดข้ามิชฌนนี้ธรวมะทิ่ฐิอันนี้มันจะติดมาท้านจะมาปฏิบัติต่อโดยที่ไม่ต้องมีพระพุทธศาสนามาสอนางขว่าได้ เปแก่คพันาศาสนามาแรัวสามข้อนี้เป็นคำสวยของพระเจ้าทุกๆโลกที่เวลาเราตัดสู้จะมาสอนคำสอนทั้งสามข้อนี้ละการกระทำบากสร้าบุญส้างบุญลทั้งหลายให้เต็มพอดชนอะจิตใจให้สะอาดโดยสุดเห็น <c oughs> ถ้าการมีมีสามารถที่แบบนี้แสดงว่า <c oughs> คนนี้จะไม่ค่อยมีความถูกแลรับประนได้ จะอยู่ในโลกนี้อย่างสมอย่างสบา ย, ายไม่ต้องรับเลยกับกระแสของลาบยุทธ์เสริญสุข <c oughs> แต่ถ้ายังไม่มีสิ่งที่เราต้องบุญชนิดที่สองที่เราต้องทําก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟําธรรมบุญที่เกิดจากการส น, า น, านทนาธรรมคือการศึกษาธรรมในรูปแบบต่างๆจะอ่านหนังสือธรรมะ ก, ก็ได้จะฟังเทศทาํทาธรรมก็ได้ จะสำเนาทำอย่างที่เราทำกันอย่างตังในตอนนี้ก็ได้เพื่อป้องภูนความรู้ให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาว่าอย่างในอย่างในอนิสงส์ของการค้นของการศึกษาธรรมความเท็จความธรรมว่าคือจะได้มีสัมมาทิฏฐิดนวยความจะมีอนิสงฆ่าประการนั่นกันอันหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมา ก, ก่อน สองทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามกันสามจะทำให้เราหายสงสัยในในเรื่องของธรรมต่า ง, างสี่จะทำให้มีสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาความเห็นชอบนะหา้าจะทำให้จิตมีวความสุขสงบผ่องใสนี่คืออันนี้สองของการฟังเทศน์แลาการนของการสนทนาธรรม ถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องมาความเทศ่ยนทำทําศึกษาบา่อยๆให้เกิดความเข้าใจให้ได้ให้ได้ข้อสรุปตามที่หลวงเจ้าสงสัยว่าให้เราละการกระ ท, าทําบาปทําละใจให้สะอาดทําบุญทําบุญสวดให้ถึงพ่อเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิเราไม่ได้ร่ำรวยชีวิตที่อย่าง ม, มีความสุขท่านไม่ได้เอาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปเนี่ย ความสุขจากการได้รับนันก็เลยงก็เป็นมาวสุขจากการทาความดีเ น, นื้อจากการภาวนาจากการชำระจิตใจใหมคัาารบรอันนี้ก็จะเป็นบุญที่สาคัญเราข้อที่สองคือการศึกษาสอบเทียบความังศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทาอะไรเพื่อให้ใจเราไม่มีความทุกข์ให้ใเรามีแต่ความสุขเราสามสข้อเนี้ งั้ก็เราก็ต้อยออกมาสิสามข้อถ้าเรายังไม่มีสีเราก็ต้องรักษาสีนะถ้ายังมีความทุกจากการทําบาป่ยูะเราก็ต้องรักษาสีทําบาปเนี่ยบางทีความเม่เกิดเร็วเกิดช้าได้บางคนทำบาปแล้วต้องไปติดคุกติดตรางก็มีบาคนทำบาปแล้วยังไม่ติดคุกก็มีแต่คนที่ไม่ติดคุกใจก็กังวลนะครับทุกขกับความกังวลครับ ข่าการที่จะถูกจับไปลงโทษไมนช้าเลยล้วทําบาตแล้วใจเราจะทุกขึ้นมากังวลขึ้นมาถ้าเราไม่ทําบาตเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเราก็ต้องมารักษาสีกันเพื่อทําให้ใจเราลดความทุกข์น้อยลงไปเมื่อเรารักษาสีแล้วไม่ทําบาตรเราก็จะไม่ค่อยมีความทุก ข, ข, ข์กังวลกับวิบากกรรมของเราที่เราทําไปแต่ถ้าเราอยากจะมีความสุข จากการทําความดีแล้วก็มาทําความดีตนะ่างๆทําความดีให้ให้กับสุขกับผู้ในรูปแบบต่างๆจะเป็นการให้สม้อด้วยปัจจัยสี่ข้าวหอมเงินดองคือสมคบด้วยกันให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแต่คุณหมอเขาให้วิทยาทานให้กวามรู้ทางการรักษาพยาบาลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนรือรู้จักวิธีรักษา เวลาสุขภาพก็จะได้เรียนรู้แล้วก็จะช่วยลดบรเทาความเจ็ดใครได้ป่วยได้อันนี้เนี่ยผู้ให้ก็มีความสุขให้วิทยาทานหรจะให้ธรรมะเชนตอนนี้เร า, าคุยสัมมาาธรรมก็ให้ธรรมะให้ความรู้ซึ่งการให้นี่ถ้าบอกว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง มาธรรมะเ่นั้นที่จะดับความทุกขที่จะทราบความสุขที่ยากเหนือทารวอให้กับจิตใจได้วันนี้ก็เป็นการจะทำความสุขต่างๆจะทำคนําทางก็ได้ถ้าบริกับใครก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องทํากับศาสนาอย่างเดียวทั้งจะได้ดุ่มธรรมบุคือการให้ให้เสียสละไปให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่ ถ้าเราไม่ศรัทธาศา ส, สนาเราทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทากับโรงเรียนลก็ได้ทํากับมูลนิธิที่ทําธทําคุณประโยชน์ต่างๆให้กับสังคมก็ได้แล้วแต่เราเราชอบทําบุญแบบไห น, นทำแล้วให้เรามีความสุขใจเราก็ทำไปถ้าเราไม่มีเงินทอง ท, ที่ใช้ในการทําบุญเราก็ไปเป็นจิตอาสาก็ได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึง บางคนไม่มีเงินทองแตนมีเวลาว่างอยากจะใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่ก็ไปเป็นจิตอาส า, าที่หมอบางคนก็มาช่วยออคลินิกเวลาที่เขามีเวลาหมอที่เกษียณไปแล้วนี่ให้ก็มาช่วยทั้นี้เพความสุขจากการที่ได้เสียสละแ่งงันประโยชน์ให้กับผู้่ อันนี้ก็เป็นนึ่อย่างเคือการรับใช้สังคมการรับใช้ผู้แล้วส่งข้อช่วยลืผู้เพื่อวิธีการกต่างๆาำทํานนะถ้าเทำยังินแล้วก็ทําถานซื้อข้าวหองปัจจัยสิที่ไานเดินด้านแล้วก็ส่งเสบียงส่งสิ่งที่จําเป็นมาให้กับสถานที่ก็เดินด้านตอนนี้ทหารมีเดือร้อนเราก็ช่วยส่ง ใจส่งเงินส่ข้าวของไว้สนับสนุนทานทาักชาได้ก็ได้อันนี้ก็เป็นการ ท, ทําทําให้มันมีความสุขใจือสรุปคือเราต้องเสียสละแบ่งปันเราต้องไม่ตนันดีไม่ต้องไม่หงสับสมบาปเข้ากล่อมงนทางให้เรารู้ว่าเดินทองนี้ตายไปแล้วก็ออกไปไม่ได้เก็บไว้ใช้ใช่ก็ไม่เป็นประโยชน์ เอาไปใช้ความสุขทางทางกินเองมันก็เป็นเพลิเป็นินไปกับจิตใจในเสียรูปเสียงกินนั่นมันก็จะทําให้เด็กติดแล้วเวลาเงินทาาไม่มีไม่พอใช้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเห็นเอาเงินทาไปทําบุญในกับทาบุญในรูปแบบต่างๆทําทล้วจะมีความสุขใจอันนี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับเรา โดยหลักนะยังมียังอื่ก็เป็นเช่นบุญเวลาพูดก็ทำบุญเัาโน่มทำบุญด้วยเช in. ่นเป็นพ so so ี่ญาติพี่น้องเพื่อนถูงก็ไปเป็นเจ้าภาพคอยกระถิ่นแล้วก็อนุโมทนาใส่ซองไปให้เขาด้วยคนที่เราไม่ได้มีเวลาที่จะไปก็อยากจะสนับสนุนในการทำบุญแล้วก็โน้มอนุโมทนาบุญอันนี้ก็เรียกว่าโน้มอนุโมทนาบุญ แวลาคนหนึก็ทําบุญแล้วเราก็อยากจะล่วด้วยหนับสนิทให้กําลังใจเขาแล้วบุญที่เราทํานี่เราก็สามารถถึงได้กับผู้ที่นองรับไปแล้วได้อันนี้ก็เป็นวิธีทําบุญอย่างนี้อันนี้ก็คือในสรุปก็มีห ล, หลายวิธีด้วยกันข้างล่จากข้างล่างขึ้นมาก็ทําบุญยำทานด้วยรูปแบบ ต, ตา่างๆแล้วก็รักษาสีลนสิ้นห้าสิ้แปดสิ้นสวรยี่บเจ็ด เราก็ไปภาวนาทั้งฟอกจิตใจในการเจริญจิตตภาวนาสามารถทำภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็จะได้สัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาธิฏิก็จะได้วิมุติได้ได้หลุดพ้นจากบาปทุกทั้งถุนได้บลรมีสุภ ข, ของพระนิพพานเป็นเป็นผลตอบแทนในที่สุดนี่ก็เลยสรุปนี่ก็คือบุญตา่างๆที่ในศาสนาสอนใะห้ชาวพุทธทำกัน ขอบพระคุณครับอาจารย์ก็คือถ้าเราอยากมีความสุขก็คือทําบุญโดยสรุปอีกเรื่องหนึ่งเลยครับอาจารย์ใช่ทำไ ห, หนไหนรูปแบบไม่ต้องทําลวงวันไม่ต้องทำกับพระก็ได้ทํากับพ่อแม่ก็ได้ทํากับเพื่อนฝูงก็ได้เห็นเพื่อนฝูงว่าจบทุกย่ายได้ในยางเหลือยนอนช่วยหล่อยช่วยกันเวลาช่วยเหลือใครเราเกงนันก็มีความรู้สึกสุขใ จ, ใจใหุ่นใจขึ้นอาจารย์ครับแล้วอย่างการให้อภัยนี่เป็นบุญไหมครับ มันก็ท้าเมื่ลองปลดคลายใครใจเราจะทุกข์ใช่ไหมความโกรดนี้ทําให้ใจทุกข์ให้ใจร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเรายกทัวให้เข้าไปป้างเราก็หายโกรธหายโกรธเรวก็ใจเราก็กลับมาเป็นเบิกติใจเราก็ก็ไม่ทุกข์นี่เป็นการหับความทุกข์อย่างคันให้ไปอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้ดูเสียง ไม่ค่อยจะเข้าไม้เท่าไหร่เหมือนเหมือนมันโดนดูดไปข้างนอกเป็นเสียงแมลงเสียงรถวิ่งผ่านอย่างเงี้ยครับอาจารย์ไม่ไม่ทราบว่าเสี่ยงอะไรเลยคือเสียงมันมันมันไม่ดากพอใช่ไหมเพราะเราจะนกันแต่อย่างนี้จะดังขึ้นมาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอาจารผมผมเข้าใจว่าเหมือนกับไม้ไม่ไม่แน่ใจว่าไม้ตัวเดิมไหมครับอาจารย์ตัวเดิมไม่ใช่หรมันเหมือนโดนดูดเสียงไปข้างนอกคล้ายคล้า คล้ายๆพระอาจารย์เปิดหน้าต่างอย่างนี้ป่ะครับอาจารย์พอเกตรก็เปิดอยู่ถ้าเหมือ น, นเดิเหมือนเดิทุกอย่างครับอาจารย์ครั บ, อ พ, รรบพอได้ยินใจอได้ยินะนะครับอฟังไรัอาจารย์ฟังได้ครับอาจารย์ครับมันเรื่องว่ามันกล้องหรือเรื่องอะไรมันค่อยไปยังไงมันมันเหมือนกับเสียงไม่ชัดไม่ไม่ไม่ไม่คมครับอาจารย์แล้วถ้ามีเสียงข้างนอกปั๊บมันโดนดูดไปข้างนอกเลยครับอาจารย์อืมครับ เราไม่ชัดใจเพราะว่าเราไม่ได้ดยตั้งค่าเะไรเปลี่ยนค่าอบไรอะไรฟังได้ฟังได้ครับอาจารย์ครับมันจะเป็นอนีจจังทุกครั้งหน้าตาอะไรไม่มันเก่าแล้วว่าครับอาจารย์ไม่ครัมัอาจารย์ก่อนจะเข้ามาก็เช็คดูเช็ใไม่ดูเช็อเไรอยูมันก็เป็นปกติทุกอย่างครับผมขอโอกาสครับอาจารย์ครับ คุณตะวันครับถามว่าวิธีทำให้จิตตั้งมัน่นทำอย่างไรและมีโอกาสเป็นอย่างและมีอาการเป็นอย่างไรครับก็ต้องมีสติคอยดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่า ง, างๆผูกใจไว้กับกรรมฐานอารมณ์ที่เรายึเดเหนี่ยวจิตใจไว้เช่นคำบิกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหว เราก็ใช้คําะไรการพุโทโธนะตั้งแต่เล็มตาขึ้นมาแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่างเรื่อยหรือถ้าเราจะใช้การเข้าดูร่างกายก็ได้กรรมฐานนี่เป็นท่านดูร่างกายเราเรียกากายยัคตาสติมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าเราพุโทโธแล้วก็พุท ธ, ธารุสติมีสติเราเรียถึงพระพุทธเจ้าอย่างนั้นถ้าเราอยู่ในช่วงเคลื่อนไหวนะเราก็ใช้สองอย่างนี้ก็ได้ ใจไว้ไม่ให้ลอยไปแล้วใจจะไม่ค่อยลอยไป่อยมาแล้วถ้าอยากจะให้ใจตั้งมั่นแบบนิ่งไหมให้สงบนี่เราต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็บรรยายพุโทโธไปหรือถ้าเราอยากจะไม่บรรยายอยากจะดูร่างกายก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจดูร่างกายที่ลมหายใจเข้าออกที่ไปจะดูอยู่จุดนั้นจุดเดียวอย่าไปให้ใจไปที่อืถ้าสามารถปุกใจไว้กับกรรมาฐานได้เดแลยวใจก็จะนิ่งสงบ พอสงบแล้วเกิดความรู้สึกมานสานใจเป็นความสุขเบาเบาใจสบาย อ, อกสบายใจเย็นใจใจไม่หิวไม่โหยใจไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นใจมีความรู้สึกอิอ่มเอิออันนี้จเป็นผลที่เกิดจากการทําให้จิตตั้งมัน่นคจิตตั้งมั่นก็คือเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในสมาธิคือความสงบ ภารกิจงานเยอะต้องบริหารจัดการอย่างไรให้สุขภาพจิตดีครับอาจารย์ก็ ท, ทําเท่าที่จําเป็นต้องทําำทําให้น้อยก็ยิ่งทํามากมันก็ยิ่งต้องใช้ความคิดมากมีปัญหามากมีความเครียดมากถ้าลดภารกิจงานได้ลงได้มันก็จะลดความเครียดต่างๆได้ dies, อันนี้ส่วนหนึ่งถ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องทํางานอยู่ก็พยายามลดให้น้อยลงไป วี่จะช่วย way, ลดให้มันน้อยลงไปเราก็ต้อลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงไปที่เราต้องหามากก็เพราเราใช้มากกันถ้าเราใช้น้อยเราก็หาได้ได้เพราะงั้นเรามาปรับรลดรายจ่ายดีถ้าเราปรับรลดรายจ่ายเราก็จะปรับลดการหารายได้ให้น้อยลงได้เช่นถ้เราใช้เดือนละหมืน่นเราลดปลาใช้ลเดือนะห้าพันย่างนี้แทนที่เราจะต้องมีมเดือนเดือนละหมื่แล้วก็ลดเดือนละให้ห้าพันก็ได้ ทำงานานอ้อยลงความเครียดความวุ่นวายใจก็จะน้อยลงไปวิธีที่จะทำให้ใจเรามีความสุขภาพที่ดีก็คือลดลดค่าใช้จ่ายให้ลงไปจนก็ทั่งหมดเลยก็ได้ลดเนื้อสูนย์ไปบวนได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเ่อเวลาไปบวน มีคนบอกว่าถ้าเราปล่อยปลาแล้วห้ามทานปลาชนิดนั้นไปตลอดจริงไหมครับพระอาจารย์ห้ามปทำไมเป็นคนละเรื่องแบบนี้เราปล่อยป ล, ยปลาให้เขาแบกชีวิตส่วนปลาที่เรากินเนี้ถ้ามันเราไม่ได้ไปเป็นผูกข้าเขาเองมันก็นกินได้ถ้าเป็นปลาที่ตายแล้วที่เราไปซื้อที่ตลาดมากราบเรียนสองคำถามครับพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งครับเวลาพระป่วย พระนำปัจจัยที่ไหนไปหาหมอรักษาตนครับก็แล้วแต่เราทางแต่ท่านก็าอาจจะมีสัตรรา์ญาณอยู่ญาติพี่น้องคนที่ที่จะสนับสนุนหรือไม่มีก็าอาจจะต้องอาศัยจิตนิมนตต่างๆยกนิมนไปไปสวนบนที่บ้างวันเกิดบ้างวันขึ้นบ้านใหม่บ้างเขาก็าจะมีถวัตปัจจัยมาด้วย ก็สามารถเก็บปัจจัยเหล่านี้ไว้สําหรับใช้กับเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันได้ก็ต้องหายเองครับเพราะนอกจากว่าถ้าไปอยู่วัดบางวัดเนี่ยอย่างถ้าไปอยู่ที่วัดที่หลวงตาท่านจะเป็นเหมือนกับเป็นพ่อแม่พ่อแม่กับพระท่านรับดูแลหมดให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้มีปัญหาอะไรท่านจะเป็นผู้ที่จะรับภาระในการดูแลค่า ใ, ใช้ใจ่ายทั้งหมดให้ ข้อที่สองครับถ้ามีหนี้อยู่สามารถบวชได้ไหมครับคงยังไม่ได้เพราะเขจะไม่คำเขาจะต้องสอบชิหากเรามีมีหนี้สินหรือเปล่าถ้ามีเราก็จะไปเคลื่อนหนี้สินให้บมดครับคุณอูดครับจิตที่ออกจากร่างกายตอนเสียชีวิตเพื่อไปจุติที่พบหน้าเป็นจิตดวงเดียว ก, กันกับตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ไหมครับดวงเดียวกันเหมือนกันทุกอย่าง ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนีจิตติดเฉยติดนิ่งเวลานั่งทำสมาธิเหมือนนั่งหลับตาเฉยๆครับก็ก็ดีกว่าคิดทุกข์สร้างเห็นแต่ว่ามันยังอาจจะไม่นิ่งสงบเต็มที่ถ้านิ่งสงบเต็มที่แล้วมันจะมีความสุขมากถ้ายังไม่มีความสุขมากแสดงว่ายังจิตยังไม่สงบเต็มที่ ขอคแนะนําพระอาจารย์ครับว่าจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่อีกบริษัทให้ผมไปทํางานด้วยครับเขาทำอย่างนี้ครับอาจารก็ต้องใช้หลักเหตุผลว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ถ้าไปดีก็อยู่ก็ไปถ้าอยู่ดีกว่าไปก็อย่าไปถ้าอยู่ก็ดีไปก็ดีก็เลือกเอาไปก็ได้ไม่อยู่อยู่ก็ได้ไปก็ได้ เวลาที่สวดมนต์แล้วชอบเห่าครับเกิดจากอะไรครับมันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันเวลาที่มันไม่มีอะไรให้มันทํำมันก็จะรู้สึกเกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้นะก็อย่าไปกังวลนะหางานให้มันทําให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วสวดมนต์ไปการปล่อยปลาเป็นการทําทานแบบไหนครับและจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างครับ ก็ให้ชีวิตเนี่ยการให้ชีวิตเนี่ยก็เป็นการให้ที่สูงสุดเช่นถ้าเราเป็นโรกหัวใจแล้วคนเขาให้หัวใจมาเปลี่ยนให้เราเนี่ยถ้าเราไม่ได้หัวใจเปลี่ยนเราก็จะตายคนที่ได้รับการต่อชีวิตนี่จะรู้สึกยังไงบางทีให้เงินเขาได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่เอาถ้าให้เขาเลือกระหว่างเงินกับหัวใจที่จะต่อให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปได้นั้นมีคุณค่าราคามากการให้ชีวิตเนี่ย ว่าเป็นสิ่ที่เรานั่ที่มากที่สุดไม่ใช่เลยระหว่างเงินน้อยนัยนยกับชีวิตตอนนี้เราจะเลือกเอาอะไรดีถ้าเขาัอกเขาให้น้อยนั่นแต่เขาขอเอาเอาล่างกายเราไปทำแหละเพื่อที่แล้วเอาเอ า, เอ า, เอาว้ยากต่างๆไม่ใช่นี่เราจะเอาไหมคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักเป็นเพราะกรรมเก่าหรือไม่ครับเป็นเพราะความ ความยึดติดยึดติดในบุคคลตา่างๆขาดปัญญาไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจสนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่งแท้แน่นอนอันนี้จะแล้วก็ไม่ไม่สามารถไปควบคุมบังคับคให้เขาเที่งแท้แน่นอนได้เวลาอยากก็ไม่ได้ก็เพราะว่าเราไปเราไม่ได้เห็นความจริงถ้าเราเห็ความจริงเราก็จะได้ไม่ไปอย่าก เราก็จะไม่เราก็จะไม่ผิดหังผมไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ฟังเทศส์แต่เปิดก่อนนอนตอนทํางานทั้งวันเป็นคาถาชินทบัญชรกับพระไตรปิฎกอย่างนี้ได้ไหมครับคือมันอยู่ที่ว่าเราฟังแบบไหนถ้าเราฟังแบบไม่ไม่ได้มีสติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการฟังนี้เขาต้องการให้เรามีสติผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ คุณเปิดฟังแล้วคุณก็ใจของคุณก็ขึ้นไปกับเรื่องงานเรื่องการฟังไปมันก็เหมือก็ไม่ได้ฟังมันเป็นเหมือนแบกกราวไปเสียงแบกกราวไปท่านเถ้าอยากให้เกิดประโยชน์ต้องไม่ทําอะไรฟังเย่างเดียวเพราะเป็นหนงกัการฟังเทศฟังธรามบทสวนมนต์ต่างนี้เป็นเป็นธรรมะแล้วเราฟังธรรมะเราต้องนั่งผนวชใจที่นิ่งกายว่าใจกายว่าใจาใจที่นิ่งเราถึงจะได้รับประโยชน์จากการฟัง อยากถามพระอาจารย์ครับว่าตอนที่เตรียมจะวจารณ์ตอนเป็นคารวาสอยู่พระอาจารย์ปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงแบบไหนบ้างครับก็ปฏิบัติทั้งวันเนี่ยตั้ง แ, บบแต่ตื่นขึ้นมาจนจนหลับเลยโดยการจเจริญสติเป็นหลักแล้วก็พอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิบ้างอ่านหนังสือบ้างทำอะไรกต้องขึ้นมาโดยบ้างถลับกันไปอย่างเงี้ยทำนะั้นทำงานในบ้าน มาบ้านถือบ้านทักเสื้อผ้าทําไมต่างๆเองคือทําด้วยสติตลอดเวลาอยู่คนเดียวอย่ในโลกขาคนเดียวไม่ไปยุ่งเกี่ยวใครมันาะาไปยุ่งเกี่ยวคนนั้นคนนี้มันจะดึงสติเราไปมันจะไม่สามารถคอยควบคุมความคิดของเร า, ดเราได้ในเรื่องที่จะอยู่คนเดียวสามีะสามีเสียชีวิตตอนนอนหลับไปเลยครับไม่ได้ล่ำลา จิตสุดท้ายที่หลับไปดวงจิตเขาออกจากร่างเขาจะเห็นลูกเห็นเมียตอนปลุกเขาไหมครับไม่รู้เลยต้องถามเขามาถามล้วได้การภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตาให้มานดาที่จากไปจะสามารถรับได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่ามานดารับอยู่หรือเปล่า คุณพัชรวัตรครับหลวงพ่อครับการพิจารณาสังขารสามารถทําให้จิตเราสงบได้ไหมครับได้ถ้าเราพิจารณาแล้วเราปล่อยวางได้เช่นนั่งกายเราจะตายอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาว่ามันของไม่เทีย่ไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยให้มันตายอย่าไปห่วงอย่าไปยึดอย่าไปติดมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องจากเราไปเมื่อมันถึงเวลาจะจากก็ให้มันจากไป เเราปล่อยวางร่างกายได้ใจก็จะไม่ถุกกับความตายของร่างกายได้จิตเฉยสงบพอใจกับอาการป่วยของตัวเองครับจะต้องทําอย่างไรครับอย่าไปย้ายมันให้ได้ต้องเขิใจว่ามันเป็นอาการที่เราไม่สามารถควบคุมบางคำได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอนรัตตาอดยอมรับกับความเป็นจริงของมันอันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็อยู่กับมันไป รักษาได้การรักษาไปรักษาไม่ได้ก็ก็ไม่ต้อรักษาก็ได้พยายามรับกับสภาพความเป็นจริงของร่างกายไปแล้วจะไม่ท้อใจเวลานั่งสมาธิพอหลับตาแล้วปวดหัวบวกกับหายใจไม่สะดวกเกิดจากอะไรครับและควรจะทําอย่างไรครับตอนนี้เราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะเพราะมันจะเป็นเกี่อาการของร่างกายก็ได้ นเนื้ออาการของกิเลส ข, ของจิตก็ได้เวลาจิตจะทําอะไรที่มันไม่ชอบมันก็มักจะสร้างอาการที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาได้ที่เราต้องสังเกตอยูถ้าเป็นเฉพาะเวลาที่เรานั่งการจะเป็นเพาะกิเลส ข, ของเรากิจชั่งเราต่อไดแต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาทั้งนั่งทั้งเวลาที่นั่งสมาธิทั้งเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิการจะต้องไปปรึกษาแพทย์ ติดฟังธรรมจนเป็นนิสัยครับฟังทั้งวันทำงานบ้านทานข้าวสลับกับทำสมาธิฝึกสติดูลมหายใจไม่อยากไปไหนนอกจากอยู่บ้านสงสัยตัวเองว่าเยอะไปหรือเปล่าครับไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากไปทำงานอยากแต่ปฏิบัติธรรมครับไม่เยอะหรอกยังน้อยไปต้างเป็นบวชเนะีครั บ, ร, บรับเรียนถามพระอาจารย์ครับพระสงฆ์เข้ารับการดมยาและผ่าตัด ปกติต้องเปลี่ยนเป็นชุดของห้องผ่าตัดที่ค่าเชื้อแล้วจะเปลี่ยนออกทั้งหมดได้หรือไม่ครับเกรงจะปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องครับอันนี้เราก็ไม่รู้นเพราะมันเป็นเครื่องแบบมันคงยังไม่เป็นปนัญหาแล้วแล้วแต่ทางโรงพยาบาลเขาจะกําหนดว่าจะจะต้องใส่ชุดไหนไปในการรักษาพยาบาลยังไม่เคยไปป่วยนโรงพยาบาลถึงเราต้องต้องเปลี่ยน เคยไปอยู่พักครั้งเดียวตอนนี่เป็นพักตอนที่ถูกมูการไปนอนอยู่สองสามคืนก็ไม่ได้ก็ใส่เนี้ยใส่ทีวรอย่างที่ใส่จะวางใจอย่างไรเมื่อเวลาไปทำงานแล้วเจอกับปัญหาครับก็ <c oughs> ต้องยอมรับ ว, ว่าปัญหามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดามีปัญหาก็แก้ไปแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตาม ตามเรื่องของมันไปเราก็จะไม่ถูกจิตติดเฉยติดนิ่งนั่งทำสมาธิเหมือนนั่งหลับตาจิตไม่ไหลไปนึกคิดปรุงแต่งอะไรจะแก้ไขอย่างไรครับก็ดีให้มันให้มันนิ่งเฉยเฉไปนานๆตลอดเวลาที่เรานล่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทําให้มันนิ่งกว่านี้ให้มันสงบมากกว่านี้ให้มันเกิดความสุขขึ้นมาถ้ามันสุขเกิดเกับความสุขขึ้นมามันจะไม่มันจะไม่มาถามคําถามนี้ มันจะรู้รล ว, ว่า น, นี่แหละคือผลที่เราจะต้องการจากการนั่งสมาธิคือให้จิตนิ่งแล้วเกิดความสุขขึ้นมาถ้ายังไม่สุขก็แสดงว่ายังไม่นิ่งจริงผมฝากร้านใส่บาทพระอาจารย์ทุกเช้านะครับหากมีโอกาสจะเดินทางไปใส่บาทเองครับถึงอยากทราบวิธีละโมหะครับโมหะก็คือความหลง ความหก็คือคือการเห็นผิดเป็นชอบเห็นเห็นต้องกันข้ามกับความเป็นจริงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นสุขนี่คือความหลงเราเลยนัมาแก้แล้วเราเห็นทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่เป็นของเราเป็นสมบัติชั่วคราวไม่ได้อยู่ของเราไปตลอดไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปเสมอะ มันมันเป็นทุกถ้าอยู่กับมันเราจะต้องเจอกับความทุกข์เช่นนับยึดสรรเสริญสุนี้เป็นทุกข์ทุกพ่อไม่เที่ยงทุกพ่อมันไม่ได้เป็นของเราหรืออยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของเราได้เสมอไปมันทำให้เราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อร่วมเป็นทุกข์เปนอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็จะหายหลงเราก็จะไม่ไปยึด ข, ของเรานี้เราก็จะไม่มีความทุกข์ การนั่งสมาธิให้ถูกวิธีและนั่งนานๆควรปฏิบัติอย่างไรครับก็นั่งแบบมีสติถ้าไม่มีสตินั่งไม่ได้ก็นั่งไม่ได้นะเพราะว่าจิตมันจะนิ่งจิตมันจะอยากลนกอยากจะไปทำนู่นทำนี้แต่ถ้าเราไม่ีสติคอยควบคุมความคิดควบคุมความอยากเร า, าก็จะหามารนั่งไปได้นานนั่งนั่งให้จิตสงบเนาะพอสงบแล้วจะนั่งได้ยิ่งนานขึ้นไป เป็ต้องนั่งด้วยการมีสติควบคุมใจผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่ากรรมฐา น, นเวลานั่งเขาจะนิยมใช้คําบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ผูกใจหลับใจก็ต้องมีสติรู้อยู่กับอารมณ์นี้เพียงอย่างเดียวอย่าหมายให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือบางท่านก็ใช้ลหมหายใจเข้าออกก็มีสติให้รู้ลมดูลมเข้าออกไปถ้ามีสติกบกับใจให้อยู่กับกรรมฐาน พระ น, น, านอ า, นนามสมได้พระจารย์ครับแฟนเสียไปครับแต่ว่าเขาเป็นศาสนาคริสต์ตัวเราจะใส่บาตรให้เขากินได้ไหมครับได้ทำบุญ<อ>ได้โดยการนัมีศาสนาอยากทราบอุบายเลิกหรือหยุดดื่มเหล้าครับก็ไปอยู่ที่กไกลๆที่ไม่มีเหล้าให้ดืม่ม จนไปอยู่วัดป่าวัดที่ไหนอยู่ไกลๆวัดที่ห่างไกลาจากชุมชนแล้วในวัดก็ไม่มีการเดินชลาเยอาเราไม่าีการปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปเราก็จะเพลิดเพลกับการปฏิบัติแเราก็จะเริมเริ่มเ่มมการเดินชลาไปได้ คนที่ลำบากขัดสนเฉพาะยิ่งคนตามชนระบทเหตุฉนัยถึงได้มีเรื่องราวลำบากกว่าคนทั่วไปเช่นว่าขัดสนเงินทองทมำมาหากินลาบากเกเรติดยาเสพติดโดยส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นคนดีแต่ว่าถิ่นฐานมีส่วนสร้างให้วิถีชีวิตติดขัดลําบากมากกว่าคนในเมืองที่อาจจะมีความพร้อมกว่าคิดอย่างนี้พอจะถูกต้องถูกทางหรือยังครับหรือว่าถิ่นฐานถิ่นกาเนิดไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตครับคนที่อยู่ในกรงก็ทุกข์ยากลาบากก็เยอะ ที่เรามองไม่เห็นคนขอทานคนทําหารกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช้าอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เปนความสุขมากคนที่อยู่ช น, นระเบิดมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันมีทุกแห่งทุกคนคนที่ยากจนคนที่ทุกข์ยากลำบากสาเหตุหนึน่งก็เกิดจากการกระทําบาปมาในชาติก่อนก็ได้ถึงทําให้เราเกิดยากทุกข์ยากลบาในชาตินี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยอย่างเดียวอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นก็ได้ ที่เรามองไม่เห็นที่น็กไม่ถึงแต่ในทานพุทธศาสนาก็เชื่อว่าการที่คนมาตกทุกข์ได้ยากลำบากในในอดีตชาติในกับอ่ชาติก่อนไปทําบาปทํากรรมอะไรมไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบุญทำบุญเสร็เป็นคนที่ว่าการมาอยู่บนกองเงินกลองทองอยู่มีทานะมั่งเขา้าก็เป็นอันนีษษ้สมใจา ก, การที่ได้ทําบุญทําทําทายมาในอดีตชาติอันนี้เป็นเป็นเรื่องของ มีเคทางศาสนาตามวดแห่งกรรมแต่มันไม่ใช่เป็นเป็นเป็นกฎเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นก็ได้ที่มาเสริมมันคล้ายๆคำถามเดิมเดิมเลยครับอาจารย์ที่ติดเชือ่ออาจารย์เ ด, ยเดียวกันอาจารย์เดียวกัน ออนุญาตพูดเรื่องเข้าฌานแล้วตายไปเกิดในพรมโลกครับข้อความนี้หมายถึงพระอรหันต์ถ้าท่านจะมรณภาพท่านเข้าฌานตายจะยังไม่นิพพ่านไปเกิดในชั้นพรมสุทธาวาส้าชั้นใดชั้นหนึ่งมีเวหปพราเทวาเป็นต้นซึ่งเป็นพรมที่หมดกิเลสอาสวะแล้วและจะนิพพ่านที่นี่ออออันนี้คอมเมนต์เฉยๆครับอาจารย์ เราต้องฝึกให้มีสติสมาธิและปัญญาขอเรียนถามว่าเมตตาอยู่ในส่วนไหนครับเมตตามันอยู่ที่ในส่วนของของการมีสมาธิเพราะเวลเามีสมาธิเราจะมีอุเบกขามีความสุขความสบายใจนั่นแหละทำให้จิตใจเรามีเมตตาขึ้นมาเพราะเราจะเมตตาได้มันต้ตัวเองต้องมีความสุขก่อนถ้าตัวเองไม่มีความสุขมัห้ ง, งก็เมตตา แต่ไม่ตาไม่ออกเพราะตัวเองยังไม่ยังไม่มีความสุขก็จะเอาความสุขให้คนอื่นได้อย่างไรดังน้นเมื่อต้องทําใจของเราให้มีความสุขถ้าเรามีความสุขแล้วเมตตาก็จะออกมาทุกวันนี้เป็นยุคข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจไม่ดีทั่วประเทศการดําเนินชีวิตแร้นแค้นมากขึ้นเงินทองฝืดเทืองเฉพาะที่ยิ่งคนชนบทมีความลําบากมาก แม้คนในเมืองก็คงไม่ต่างกันแต่คนชนบทจะเจอผลผลิตทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงคนติดยาเสพติดติดสังคมถดถอยแล้วควรใช้ธรรมะข้อใดครับเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยุคเศรษฐกิจฟืดเคืองสุดๆครับก็เกิดเราอยู่ในโลกที่ไม่มีอะไรแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่เท่ากันเสมอกันไปดูที่กดแห่งกรรมพุทเจ้าเรามีกฎเรามีกรรมเป็นของของเราเราทำบุญหรือทําบา เราก็จะเผู้รับผลบุญผลบาทคนที่มาเกิดเลยตอนอยู่ในสถานะที่ไม่เท่าเทียมกันมัคนคนก็สุขสบายบางคนก็ทุกข์ยากลำบากอันนี้ตามหลักของกฎแห่งกรรมเพราะอันได้ทําบุญทำบากมาไม่เท่ากันหนูมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปทําบุญช่วยล้างจานที่วัดยาห น, นะครับอหนะูธนามีญาติโยมท่านชอบมาช่วยล้างจานที่วัด พระอาจารย์ครับฝันถึงแม่ทัพกุ้งใส่ชุดขาวก่อนวันที่จะได้พบท่านครั้งแรกแสดงว่าท่านมีกระแสธรรมในใจสูงถึงสื่อถึงเราได้ใช่ไหมครับไม่แน่นอนหรอกความฝันมันเป็นแค่จินตนาการของเราเองท่านจะ ม, มีไม่มีเราไม่รู้หรอกเราต้องคุยธรรมะกับท่านอึงจะรู้แลไม่ยางอย่าบทราบผมทํางานประจําครับเลยตั้งใจจะตื่นมานั่งสมาธิเริ่มตีสี่ครึ่งถึงห้าครึ่ง แต่มีอาการง่วงมากพระอาจารย์พอจะมีเคล็ดลับไม่ให้ง่วงไหมครับปกติจะนั่งช่วงก่อนนอนไม่มีปัญหาครับแต่อยากเพิ่มช่วงเช้าเพื่อเพิ่มการภาวนาครับก็กินอาหารให้น้อยลงาาข้าวให้น้อยลงนะไม่ถึงขึ้นมาแั้วมันจะเริ่มนึกสึกหิวๆหน่อยก็อาจจะช่วยได้ถ้ามันยังง่วงก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธียั่งบันดินแทนเดินก่อนสักพักน่งเดินให้มันหายง่วงก่อนแล้วค่อยมานั่ง ถ้าร่างกายเจ็บป่วยบ่อยๆเป็นกรรมเก่าหรือเป็นการส่งสัญญาณเตือนครับมนเอนนนะการบริกรรมพุทโธเวลาเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิควรบริกรรมเร็วๆหรือช้าตามจังหวะลมหายใจครับถ้าเราไม่ผูกกระลมหายใจก็ช้าก็เร็วก็ได้ถ้าเราผูกกระลมหายใจเราก็ต้องไปตามตามตาม ตามความเร็วช้าของลมหายใจแต่เราไม่ควรไปบังคับลมหายใจปล่้เลาหายใจหายตามปกติของรขาเขาจะหายใจเร็วหรือหายใจช้าก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเราเพียงแต่ใช้พู้โธวามาผูกไว้อีกทีหนึ่นงนะผูกใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆประเทศไทยจะรวยติดอันดับต้นๆของโลกเพราะเป็นแผ่นดินทองอุดมสมบูรณ์จะปลูกอะไรก็ได้ผลเป็นดินแดนส่วนภูมิอย่างแท้จริง แต่ก็มีปลวกคอยกับก่อนกัดกินคอร์รัปชันเยอะปีหนึ่งคิดเป็นตัวเลขคอร์รัปชันสี่หมื่กว่าล้านเราต้องใช้หลักคิดอย่างไรดีครับจึงจะช่วยให้คนทาเห็นโทษของการคอร์รัปชันเป็นตัวอย่างให้แนวทางเยาวชนดีขึ้นครับก็การที่คนทุจริตมันก็จะช่วยมันก็จะเรงความจเจริญให้ช่าลงไปการพัฒนาก็จะเชื่อมช้าไป ก็อยากจะให้ภาตพัฒนาดีขึ้นจะนข้าวหน้าลงมือขึ้นไปนก็ต้องกษาคอรัปชันได้น้อยลงไปเท่านั้นเองคุณแม่อายุ80ปีนะครับมีอาการวูบหมดสติสองครั้งแล้วช่วยกลับมาได้หมอตรวจคุณแม่แล้วพบว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเสเลือดหัวใจตีบชีพจรเต้นอ่อนการรักษาคุณแม่จะต้องมีการฉีดสีสวนหัวใจและอาจจะต้องทบาบอลลูนใส่ขดลวด แต่คุณแม่มีโรคไตและอัลไซเมอร์ตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยพูดแล้วตัดสินใจเองไม่ได้ในฐานะลูกควรให้คุณหมอฉีดสีสูวนใจคุณแม่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงไหมครับหรือไม่เสียเส่ยงดูแลคุณแม่ตามสภาพที่ร่างกายเป็นอยู่และถ้าคุณแม่วูบอีกช่วยแล้วไม่ฟื้นควรเลือกให้คุณแม่จากไปอย่างสงบที่บ้านหรือไปปลั๊กหัวใจที่โรงพยาบาลครับก็ได้ทั้งสองทางแล้วแต่เราจะอาทําไหมวันนี้ต้องตัดสินใจเราเอง เมตตากับคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับเราให้วางใจอย่างไรครับมันยากมากครับก็มองเขาเขาเขากับเราก็ไป็เหมือนเหมือนนักโทษอยู่ในคุบด้วยกันเราอยู่ในครุบของการเวียว่ายตายเกิดงานก็ถ้ามีความมีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลือกันได้เหมืมอนเบาความทุกข์ยากได้ก็ควรจะช่วยกันไปเพราะเราอยู่ในเรื่องลำเดียวกัน คนถามตัวสักการะทิฐิจะละให้ขาดได้อย่างไรครับและขอกราบขอกระหมาอพระอาจารย์ที่หากลูกเคยประมาทพลาดพลัพ้งล่วงเกินไม่ว่าด้วยกายวาจาใจขอพระอาจารย์โปรดงดโทษแก่ลูกด้วยเทิดครับรก็ต้องศึกษาดูว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนนเราไปคิด ข, ขึ้นมาเองแล้วไปดขึ้นมาเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครถ้าเราศึกษาทางศ า, ศาสนาก็บอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ ผู้คิดผู้บระกอบของร่างกายส่วนร่างกายนี้ก็เป็นร่างกายที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาจากดินน้ำมุมไฟธาตุสี่ตอนนี้มีตัวต่อต่างบินน้ำมุมไฟธาตุนนาสีเกิดขึ้นหน้าวันหนึ่งก็ต้องดับไปเมื่ดับไปธาตุที่สิ้นทั้งสีที่บรรลุปเป็นร่างกายก็จะแยกออกไปร่างกายก็จะหายไปต้องสอนใจต้องวิเคราะห์แบบนี้แบบทางวิทยาศาสตร์ เราก็จะได้เห็นพาพชันของเราไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีตัวเราถ้าเป็นตัวเราเรามาจากใครมาจากพ่อเรามาจากแม่เราเรามีตัวแยกตัวแบ่งน่งมาสองส่วนได้ครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้มาครอบครองร่างกายชั่วคราวร่างกายทำมาจากธาตุสี่ดินน้าลมไฟ คุณแม่เสียชีวิตไป40วันแล้วครับแต่ไม่เคยฝันเห็นเลยครับมีปัจจัยอะไรหรือครับก็แล้วแต่จเราคิดถึงท่านมากน้อยก็อาจจะไม่ฝันถึงท่านก็ไม่ฝันถึงท่า น, นก็ได้การเล่นถามข้อสงสัยครับถ้าเราพูดกับแม่ชีที่อายุน้อยกว่าเราเราจะต้องใช้คําว่าแม่ชีไหมครับก็แล้ต่ธรรมเนียมแล้วแต่ ถ้าคนนิยมใช้เรียกแม่ชีว่าเป็นแม่ชีก็เรียกท่านแม่ชีไปคุณแม่ชีก็ได้ผู้ในสภานเรันดร์ก็ได้นไดคนทําคุณใสใส่เราเขาจะโดนผลกรรมอย่างไรครับแล้วไม่ีวิธีแก้คุณใสไหมครับมันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องความความเชื่อมากกนะถ้าเป็นเป็นจริงก็ดีเลยเาไม่คน ที่เราเกลียดตายได้กันดีทำให้เขาตอกทุกขยากลำบากได้กันดีทํารุสัยกับฆาตศึกรูเราเไปผู้ทาหารที่มาคอยมายินเราไปทํารุนไสเขาดูทําไมเขาไม่ทํากันนะถ้า ม, มันไป็นของจริงนะอาจารย์ขอวิธีแก้ไ ข, ขความคิดแบบเดิมๆซ้ําๆที่ทําให้ใจขุ่นเคืองครับบางตอนก็หยุดคำที่เหล่านั้นก่อน ด้การใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธสวดมนก็ได้ธุระที่คิดในเรื่องเรื่องเก่าๆเดิมๆก็ใช้พุโทโธพุธโทโธลบมันออกไปแล้วก็สร้างพักคิดใหม่ขึ้นมาคิดดีพูดดีทำดีคิดในเรื่องที่ดีคิดในสิ่งที่จะเป็นคิดในเรื่องที่เป็นความจริงไม่ได้คิดว่าคิดว่าโลกนีเป็นโลกของอนิจจังทุกขงังอนัตตาอะไรเปลี่ยนความคิดใหม่ เราทำน้พระเจ้าจมาคิดแทนปัจจุบันความสุขรู้สึกว่าเกิดมาจากการฟังธรรมทําจิตให้สงบซึ่งต่างจากเมื่อก่อนซึ่งมีความสุขมาจากการได้ของที่อยากได้มีความสุขกับการทานอาหารร้านอร่อยปัจจุบันงดทานเนื้อสัตว์แล้วคําถามคือหนูมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับก็ถูกคแรบบับว่าการหาความสุขจากรูกสิงเกตรถนี้มันไม่ได้เป็นคาวามสุขที่แท้จริง เนความสุขชั่เข้าวปรเดี๋ยวประเด้าขณะที่ได้เสศษได้สัมผัสแล้วพอผ่านไปมันก็ทําให้เราเสึกอ้างว่าปเปล่าเปี่ยวเดืได้ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกับใจให้สงบ ม, มันจะอยู่กับใจเราไป็นานกว่าจเจริญสติในชีวิตประจําวันใช้ท่องอาการสามสิบสองสลับพุทโธได้ไหมครับเป็นโรคภูมิแพ้และโรคกระเพาะสามารถบวชได้ไหมครับ การใช้อาการอะไรนสองสลับกับุู้ทุกนี้ก็ใช้ได้โดยการบวชนี้ส่วนใหญ่ก็จะทํางานให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงถ้ามีโรคภายไข้เจ็บนี้เขาต้อจะไม้บวชให้เพราะว่าจะเป็นฐานรากผู้รื่ที่เรามาบวชกรรมที่พาเรามาเกิดแต่ตําหนิหรือตําหนิหรือปานที่ติดตัวคือกรรมเก่าที่เราทํามาใช่ไหมครับ อันนี้ทางร่างกายนี้มันอาจจะเป็นเรื่องกรรมพันธุ์มากกว่ามาจากพ่อแม่ที่มีมีเชื่อและมีเหตุ DNA ทำให้ดีก็ได้ส่วนกรรมที่พามาครับแล้วที่ติดตัวมาจากชาติก่อนนี้คือเจริญนิสัยใช่ไหมครับเจริญดีชื่วเนี่ยมันติดต่อับใจเราส่วนน้ำคิ้วจะแหวนตาคิ้วจะแหวนแล้วมีปานตรงนั้นมีรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของร่างกาย คืออาจจะได้รับการถ่ายทอามาจากพ่อจากแม่ก็ได้เรื่อจะเป็นการไม่ปกติของเซลล์ของร่างกายของเราเองก็ได้ที่ทําให้เกิดสิ่งต่างๆนี้ขึ้นในทางปฏิบัติผู้หญิงถือศีลได้สูงสุดกี่ข้อครับถ้าบวชเป็นภิกษุณีก็สามรอยสามสิบข้อครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีภิกษุณีนะงั้นถ้าในทางปฏิบัติก็ถือศีลได้แค่สิบข้อ น่ Schools, ขอคำแนะนำการวางใจเวลามีกรณีพิพาทกับเพื่อนบ้านที่มักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันแล้วใช้อารมณ์ใช้คำพูดหาเรื่องสอบเสียดขมขู่ครับให้อภัยยอมยืนเย็นใช้หลักยอมยุดเย็นยอมแพ้ก็ไม่ตอบโต้กบนิ่งเฉยพใจเราก็จะเย็น เรียนพระอาจารย์ครับหากเบื่อทางโลกแล้วตอนนี้กเกษียณแล้วนะครับแต่ยังมีหน้าที่ดูแลแม่ไม่ได้คิดจะหนีไปควรวางใจและกายอย่างไรดีครับเพื่อทำหน้าที่เอาให้ดีที่สุดดูแลแม่ไปแล้ว ก, ก, ก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมตามเวลาที่เรามีเพื่อทํำให้ใจเรามีความสุข กาบเพียนถามพระอาจารย์ครับเดินจงกรมเดินถอยหลังได้ไหมครับและการที่มีศัตรูมาอยู่ติดกับบ้านเราทาั้งทางที่เราไม่เคยไปหาเรื่องเขาเขามาหาเรื่องเราก่อนจะเกิดจากกรรมหรือเปล่าครับแล้วจะแก้อย่างไรครับการเดิ น, นจงกรมนี่ก็เดินถอยหลังก็ได้แต่เราต้องระวังว่าเวลาเดินถอยหลังนี่เราจะไปเหยียบอะไรจะไปชนอะไรหรือเปล่าถ้าเรามั่นใจว่าข้างหลังไม่มีอะไรเช่มันอยู่ในห้องเราแล้วการเดินมันเดิน ระยะมันสัน้นถ้าเราเดินแล้หมุนกลับเนี่ยมันจะทำให้เราเวียนชีสารได้แล้วก็อาจจะเดินไปแ ล, ล้วก็เดินถอยน้ำไปเดินก้าหน้าไปก็ได้แต่บางทีเราก็ทําในปฏิอนี้มันที่มันแคบวันนี้ฝนตกข้างหน้าออกไปเดินไม่ได้แล้วก็เดินั้างในเดินแบบเนี้่เดินเข้าไปเดินเดินหน้าไปพอถึงถึงสุดทางแล้วก็เดินถอยน้ำเพราะมันสั้นมันไม่ก e, um ี่ก้าวแล้วก็อาจจะต้องเดินช้าหน่อยให้มีสติมากขึ้น แล้วก็มีมือค อ, อยยันไว้ข้างหลังเพื่อนเดินมาถึงชนชนกําแพงแล้ชนที่สุดทางได้รู้อันนี้ก็เดินได้นะสว่วนในเรื่องเรื่องคนที่มีเรื่องกับเราเนี่ยถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วเข้ามามีเรื่องกันเราก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมราเวรเราไปกแล้วกันอาจารย์ครับในกุฏินี้เดินได้กี่ก้าวครับอาจารย์ดูจะไม่ไม่กี่ก้าวเองนะครับ ก็สิบกว่าเก้าสิบเก้านาพราะันยาวเวนห้าเมตรด้วยกันเนี้ก้าหนึ่งก็สองเมตรใช่เมตรนึงก็สองเก้าอย่างนี้ก็ได้สิบเ้าสิ้าสัมปชัญญะจะเกิดขึ้นตอนไหนครับคือการมีสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราทำเรองสติเช่นในพุทโธพุทโธอยู่ในใจไม่ไม่พังไม่เผลออยู่กับพุทโธไปเรื่อย สัตว์ัญญาก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าสัตว์ัญญาคืคอความมีสติที่ต่อเนื่องไม่ไม่ขาดหายไม่เกิดดับเกิดดถ้าติส่วนให ญ, ญนั่งตั้งนานๆตั้งแค่ปั้งนะมันก็หายไปเดี๋ยวเราทอรู้ว่าหายแล้วก็เลยมนกลับขึ้นมาหสติแบบล้มลุกคลานในพวามสติที่ยืนเดินได้มันไม่ไม่แพาไม่ดอบแล้วก็เรียกวสัตป์ปัญญา กับเรียนขอความรู้จากพระอาจารย์ครับถ้าพูดคุยเอานี้ไปแล้วผมถับซ้ำอยากทราบว่าการที่ญาติโยมถวายเงินหรือปัจจัยให้พระพระรับเงินผิดไหมครับเพราะเคยได้ยินว่าพระรับเงินถือเงินไม่ได้ครับคือท่านรับได้แต่ท่านไม่สามารถรับกับโตรงนั่นเองรับเก็บไว้เองได้ท่านต้องให้ลูกเสร็จในครึ่งรับเก็บไว้ให้กับท่าน เวลาที่ท่านต้องการจะใช้เงินท่านก็บอกลวกศิษย์ให้ไปจัดการซื้อของมาให้ทุกท่านรับได้แต่ไม่ได้นับตอเรับไม่ได้ให้รับกับนับเก็บไว้กับที่ตัวเองนแล้วต้องไปฝากลวกศิษย์ไว้พระที่เราเชื่อศรัทธาแต่เพจมีการโพสต์ชวนญาติโยมบริจาคเพื่อช่วยชายแดนโดยเข้าถึงบัญชีพระโดยตรงท่านเป็นเจ้าคณะ แบบนี้มีปัญหาในเชิงพระวินัยอาบัติเล็กน้อยไหมครับหรือถ้าพระไม่ได้ถือสมุดบัญชีเองถือว่าไม่อาบัติครับกอยังมีบัญชีในธนาคารนี้ไม่ไม่ไม่เป็นไม่ผิดกฎระเบียบแต่อยงไรเพราะถือว่าธนาคารเป็นเหมือนกับลูกศิษย์เป็นผู้ที่เราไว้วางใจฝามเงินไว้กับเขาได้เวลาเราต้องการเงินเราก็เบิกจากเขาได้อันนี้ไม่ไม่น่าจะผิดตรงไหนไม่น่าจะผิดพระวินัย อายุมากแล้วยังไม่เคยบวชให้พ่อแม่เราควรบวชให้พ่อแม่หรือไม่ครับพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ครับคือความหมายของการาบวชให้กับพ่อแม่นี้มันต้องอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะทําให้พ่อแม่แมนี้อมารับประโยชน์จากการบวชของเราได้หรือเปล่ า, าการจะได้รับประโยชน์จากการบวชก็คือพ่อแม่ต้องมาหาเราบบว่ามาเยี่ยมเราที่วัน เรามาวัดก็ต้องต้อมาทาบุญทําทานที่ศาลาแล้วก็มีการสั่เทศสั่งทำมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรมถ้ามาถ้าบวชมาเยี่ย ม, มเราบ่อยๆแล้วก็ถือว่าการมาปฏิบัติธรรมมาทมําบุญทําทานรักษาศีานี้ก็บวชใหพ้พ่อแม่ดีเพราะเราเป็นเหมือนแม่เล็กที่ดึงให้พ่อแม่เข้าวัให้มาปฏิบัติธรรมให้มาทมําบุญทําทานรักษาศี แต่ถ้าบวชแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้มาอยูก่กับเราเลยตัดฐานก็ปล่อยวัดพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรจากการบวชของเราเลยที่เขาเรียกว่ากฎเกาะชายภาคเลยธรรมดาพ่อแม่ปกติไม่ค่อยมาวัดเพราะมีธุรกิจยอะไรต่างๆยังไม่เคยมีนิสัยที่จะเข้าวัดก็เลยไม่ได้มาวัดแต่พอลูกชายมาบวชล้วก็ห่วุลูกชายคินถึงลูกชายจะอยู่ดีกินดีหรือเปล่าไม่ต้องเตรี่ยนซื้ออาหารซื้ออะไรมาถวาย เมื่อถลายก็ลูกชายก็ไม่ได้อยู่องเดียวแล้วอยู่หลายรูป ก, ก็ต้องมาทําบุญกับพระทั้งวัดทําบุญในศาลา ย, ยิเป็นต้นก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญแล้วพอทําบุญแล้วมันพาะเขาก็มีให้รักษาสี่งให้ทําเทศความธรรมบางแห่งก็ให้มีปฏิบัติธรรมด้วยถ้าได้มาวัดวได้มาก็าทําสิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับพ่อแม่อันนี้เรียกว่าในการทดแทนลูกศนให้กับพ่อแม่ ได้พ่อแม่ที่ไม่มีศีลจะได้มีศีลพ่อแม่ที่ไม่ได้ทําบุญจะได้ทําบุญพ่อแม่ที่ไม่มีปัญญาจะได้มีปัญญาติดต่อหากบวชเป็นพระใหม่แล้วมีการละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งจะต้องไปอบายหรือไม่ครับคือแล้วแต่ว่ามันมันเป็นบาปนะไม่าถ้าบาปสี่ข้อที่ไม่ว่าประราชิกสี่นี้ไปได้เช่นฆ่าฆ่ามนุษย์ เรื่องงดเศษแมถุนหรือว่าพ่วงเพรแล้วก็โผล่หลอกลวงชาวบ้านว่ามีคุณธรรมสูงแต่ไม่มีในตนถ้าทําบาปแบบนี้ก็สามารถไปไปอภาัายได้แต่ถ้าเป็นบาปบาปเล็ก น, น้อยนี่ก็ยังไม่ถึงกับไปอภัยเพราะมันเป็นเหนกับเป็นการละเมื่อระเบียบข้อระเบียบของการอยู่แบบ พะที่ให้มีความสวยงามในวิธีการกินการดื่มเห็นพระนี่ห้ามเลยห้ามยืนกินห้ามเดินกินต้องนั่งกินอย่าเงี้ยเวลาปัสสาวะก็ต้องนั่งถ่ายนั่งนั่งปัสสาวะมีปัสสาวะไม่ได้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องระเบียบเรื่องของความสวยงามนะถ้าถ้าเปลีระเบียบอะไนี้ก็ไม่ถึงกับที่จะต้อไปอะไรอขากาศเรียนถามครับ การ น, นอนหลับในแต่ละคืนหลับตอนไหนไม่รู้แบบนี้เป็นการหลับแบบขาดสติหรือหลับแบบปกติครับหรือว่าต้องเพียรฝึกเข้าสมาธิให้ชํานาญแล้วจะไม่มีอาการเผลอหลับเลยการหลับคือการซ้อมตายกระผมนี้คงเผลอตายมาตลอดครับถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าจิตสุดท้ายกระผมไม่เคยเอาทันน้องก่าพระอาจารย์ขอความรู้ครับน้องปกติคนนอ น, นอนหลับนะก็ต้องหมดสติเหมือนกันอย่าหลับได้ ถายมีสติอยู่ก็ยังเตือนอยู่งั้นการนอนหลับที้ไม่ต้องกังวลถ้าเราไม่รู้ว่าเราหลไปตอนไหนก็แสดงว่ามันตอนเวลาหลับเราก่อนเราหลับเราไม่ได้ดูนาฬิกาก่อนมันจะหลับแล้วเราดูนาฬกาก่อนก็ไ ด, ดรเราจะรู้ว่านี่เกิเวลานอนของเราแต่การหลับการหลับมันต้องไม่มีสติไม่ต้องกังวลไม่เกี่ยวกับจิตสุดท้ายเวลาที่เราตาย จะเรียนถามพระอาจารย์ครับดวงจิตที่เราเกิดมาหลายภพหลายชาติทําไมจิตดวงนี้ถึงจําชาติภพที่ผ่านมาไม่ได้ครับก็อยู่ที่ความจาของเราความจาของเราสั้นก็จําไม่ได้คนบางคนมีความจำยากว่ก็นึกชาติได้กันนี้แต่น้อยคนที่มีความสามารถขนาดนั้นหลังจากเผาศพแม่แล้วคืนวันนั้นเห็นดวงไฟสีเหลืองนวลลอยอยู่ที่ปลายเท้านอกมุง้ง คุณย่าบอกว่าเป็นดวงจิตจริงไหมครับก็ <c oughs> ถ้าเราไม่รู้จริงก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นจริงเลยให้ดูตามความเป็นจริงดูว่าเป็ น, นดวงไฟไปแล้วกันดีกว่าแล้วก็ถามต่อว่าอยากทราบว่าดวงจิตมีจริงไหมครับคือ <c oughs> จิตมีจริงแต่จิตไม่มีรูปหน้าหน้าตาวนะิธีจิตจะรจิตต่อกับจิตโฉมรูปนี้เขาจะต้องในระมิดรูปหน้าหน้าตาขึ้นนะ มุติวานีเวลาที่จะเห็นเขานี่เขาจะต้องในรูปนิรู่งร่างหน้าตาขึ้นมาเราต้ออยู่ในในนิมิตอยู่ในอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ตื่นแบบที่เราเตื่นกันตอนนี้ก็ อ, อยู่ในสมาธิถึงจะเห็นกันได้แล้วเวล า, ลาเราหลับแล้วเราเขาก็มาเข้าฝันนี้ก็เขาก็จะไม่นรูปร่างหน้าตาให้เราเห็นได้ น้องกาลพอาจารย์ครับขอโอกาสครับโยมอยู่กับคุณแม่สองคนตอนนี้โยมอายุ52ปีเมื่อปี 67-67 คุณแม่ต้องผ่าตัดทางสมองด้วยโรคหลอดเลือดได้ดูแลคุณแม่เพิ่งหลับพักสบายอายุ88เมื่อ11มิถุนา68ถามข้อที่1ครับโยมตอนนี้มีภาวะกดดันเรื่องงานเข้าจำเป็นต้องหาแผนกอยู่ไหมพอมีมาปรากฏว่าต้องทางาน24คูณเกิดภาวะกดดัน โยมบอยตั้งใจเพียงทำงานเลี้ยงชีพและมีเวลาได้ทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญสติสมาธิปัญญาทำงานให้ใกล้ๆห้าสิบห้าเกษียณอายุนะครับไม่รด้นะครับสองครับในบางครั้งพออยู่คนเดียวเงียบมากที่บ้านก็มีเสียงความคิดว่าคุณแม่ไม่อยู่แล้วเราอยู่ทำไมครับ ก็แล้วแต่เราเร่จะคิดยังไงก็ได้เราก็ไมออยู่ต่อไปถ้าตถ้าถ้าเราศึกษาธรรมะธรรมะก็จะบอกว่าเราอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมอยู่เพื่อกำจัดกิกกเลสให้หมดสึ้นไปจากใจครับพระอาจารย์ครับวิธีการคิดปล่อยวางความทุกข์เรื่องลูก กังวลว่าอนาคตลูกเนื่องจากเป็นเด็กพิเศษกลัวตายกลัวห่วงลูกจะอยู่ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงถ้าหากวันหนึ่งพ่อแม่จากไปไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วครับก็เป็นกรรมของเขาคือเป็นกรรมของเขาเพราะเราทุกคนมีกรรมเป็นของตัวนันถ้าเขาไม่บุญก็อาจจะมีคนมาดูแลรับช่วงต่อจากเราก็ได้ถ้าก็ไม่มีบุญเขาก็า จ, จะต้องอยู่แบบไม่มีใครช่วยเขาดูแลเขา ก็ได้น่าแต่เป็นเรื่องของบุญเก่ของเขาที่เราไม่สามารถที่จะไปจัดการได้ตลอดเวลาคนที่เป็นหนี้เราแล้วไม่คืนแสดงว่าเราเป็นหนี้เขามาแต่ชาติก่อนใช่ไหมครับและจะต้องทําใยอย่างไรให้ไม่ทุบครับถ้าเรามองอย่างนีน้อย่างนั้นเราก็จะไม่ทุบเธอเชื่อว่าเราเคยเป็นหนี้เขามา่ก่อนเราก็ไม่คืนเ้วก็แสดงว่าเราเข้ามาทวงหนี้เราไปาถือว่าเราหมดหนี้หม กล่าบพระอาจารย์ครับในทุกๆวันโยมจะฟังเทศของพระอาจารย์แล้วนําคําสอนของพระอาจารย์มาใช้ในการเจริญปัญญาช่วงที่มีปัญหาในชีวิตครอบครัวเหมือนทําข้อสอบแบบที่พระอาจารย์สอนพอมองทุกอย่างเป็นไตายรักษ์แล้วมานั่งสมาธิจิตนิ่งและสงบมากขึ้นเกี่ยวข้องกันไหมครับกับที่เราเจริญปัญญาแล้วนั่งสมาธิจะนิ่งกว่าครับ ทั้งสองอย่างมันช่วยทําให้จิตนเนี่ยสมาธิก็ทําให้จิตนเนี่งปัญญาก็เป็นทําให้จิตนเนี่งได้เหมือนกันบางที่หลวงตาท่านเคสอนว่าปัญญาอบมสมาธิบางทีเราไม่มีสติที่จะทําให้จิตนเนี่งได้พราจิตเรามีปัญหาอยู่มีความทุกข์อยู่แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ทําให้เราทุกข์นั้นเป็นตายรักเราก็จะหายทุกข์มาหายทุกข์จิตก็สงบเข้าสมาธิได้ อยากมีจิตใจที่เข้มแข็งพยายามแล้วแต่ก็ยังอ่อนแอเหมือนเดิมครับพระอาจารย์ทําอย่างไรครับก็พยายามต่อไปอย่าท้อแท้เบื่อหน่ค่อยเป็นค่อยไปเหมืนอนดลูกต้นไม้เราปูกต้นไม้วันนี้ครับลดน้ำครั้งเดียวมันยังไม่โตขึ้นมาทันทีเราก็ต้องลดไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆล้วมันจะค่อยๆจะรบตับขึ้นไปตามนะรับ การนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจไปนานๆแล้วมีการกลืนน้ำลายเป็นบางครั้งอย่างนี้ผิดไหมครับมันก็จะทำให้เราเสียสระที่ตัดช่วงที่เราเกลื น, น้ำลายเน้อย่าอย่าไปเกินไปให้มันทำมันจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปให้เราอยู่กับการภาวนาของเราไปถ้าเราเดูกลมก็อยู่ลงไปเพีงอย่างเดียว นั่งสมาธิแล้วมักจะมีอาการตรึงตึงตรงหนกลางหน้กกาผากมันเกิดจากอะไรครับพอรู้สึกเราก็จะดึงจิตกลับมาอยู่กับพุทโธแทนนั่งเฉยๆเพื่อให้จิตไม่ไปยึดกับอาการมันเกิดจากการตั้งใจเพ่งมากเกินไปใช่ไหมครับมันเป็ น, นเป็นปกติเวลาคนนอนนั่งสมาธิมันนักงจะมีอาการอะไรต่างๆมาเป็นยีวอนเป็ น, ปนอุปสรรคในการกระทํำสมาธิเราไม่ต้องไปสนใจให้เรามีสติอยู่กับพุทโธ อยู่ยาการภาวนาของเราไปแล้วเดี๋ยวอาการต่ตางๆเมื่อายไปการที่จะเราไปวิเคราะห์มันมาจากอะนรนี้มันไม่ไม่จับเป็นที่เราวิเคราะห์ให้รู้ว่ามันวิธีปฏิบัติของมันกน็แล้วกันก็คือปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมันมันมาก็ปล่อยมันมาอย่าแล้วก็ไปกับเองการใส่บาตรพระแต่ไม่ได้รอรับพรจากพระและกวดน้ําอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้บุญที่เกิดขึ้นจากการให้ไม่ได้เกิดจากการให้พรข อ, องพระ เราควรจเจริญสติให้ต่อเนื่องแบบพยายามไม่ให้ขาดเลยทั้งวันถึงจะเห็นผลรวดเร็วและจะทําให้จิตใจหนักแน่นมั่นคงมากกว่าการทําแบบขาดตอนแบบนึกออกก็ทําใช่ไหมครับถูกต้องเหมือนกับเราตัดน้ําำก็ใส่ตรเนี้เราตัดตามอานมณตัดแล้สองสามครั้งแล้วเราก็หยุดตัดแต่เดี๋ยอารมณ์จะตัดเราก็วก่าตัดอีกการพิจารที่เราตัดอย่างต่อเ น, นื่องไม่หยุดไหนด้าอันไหนจะเติบโตเร็วกว่ากัน การทำอย่างต่อเนื่องไม่หย่ดไม่หย่อนนอกจากเวลาหลับนี้เท่านั้นที่ทำให้ผลของการปฏิบัติสำเร็จได้เร็วขึ้นสติอ่อนเผลอทุกทีเวลามีผัสสะมากระทบจะแก้อย่างไรครับก็ต้องพยายามฝึกสติให้ไปเรื่อยๆถ้ามีจิตเป็นกลางแล้วเขาด่าเขานิ่งทาว่าร้ายแต่จิตเฉย ไม่มีความก็ดีถ้าจิตเป็นกลางจิตกว็วางเฉยเป็นอุเบกขาขอเรียนถามพระอาจารย์ครับทำมาข้อใดที่จะทําให้เราเพิ่มความเพียรก้าวพ้นความเกลียดคร้านความประมาทในชีวิตครับหลายครั้งไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรทําครับก็เราเราเราเรื่องเความตายอยู่บ่อยๆเมื่อเราเรื่องเกิดความตายเาจนว่ า, มมาชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอน เราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้งั้นตอนนี้เรามีเวลามีโอกาสรีบฉุยโอกาสนี้ก่อนที่โอกาสกกนี้มันจะหมดไปเพราะอาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้นอาอาจจะตายปีหน้าก็ได้ไม่ใช่มาเข้าเราจะต้องตายอีกห้าสิบปีข้างหน้าถ้าเราคิดเราจะไปตายตอนแก่แล้วก็อาจจะประมาทได้เดี๋ยวให้ทําวันหลังก็ได้ยังไ ม, ม่เวลาอีกเยอะแต่ถ้าเราบอกว่าเวลาเราไม่แน่นอนนะมันอาจจะหมดวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ ถ้ากิน่าี้ได้เรียบเสียแลัวจากตอนนี้ฝึกปฏิบัติที่บ้านอารมณ์ตอนนี้รู้ทันความโกรธและไม่โต้อตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องเวลานั่งสมาธินั่งเป็นชั่วโมงไม่ค่อยเกิดอาการเมื่อยส่วนใหญ่ปิติน้ำตาไหลบางครั้งมีเสียงร้องออกมาน้ำมูกน้ำตาเยอะมาก พอตั یں, ้งสติด well ูลมหายใจก็เห็นความเกิดดับร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราปิติยิ้มขึ้นมามีความสุขแต่ก็ไม่นานปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับขอคำแนะนาพระอาจารย์ในการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยครับก็ถ้าเราปฏิบัติแล้วเรามีความสุขมีปิติก็ถือว่ามาถูกทางนะแต่คนอาจจะมีอาการไม่เหมือนกันนะแล้วมีอาการน้องออกมาน้ำมูกน้ำตาละอะไรเยอะมานีอาจจะเป็นเฉพาะเลย เรื่อองเราพนกงานคนหนาจจะไม่มีเหมือนเราก็ได้แล้วก็สำคัญก็คือทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเราสงบมีความสุขถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ทําต่อไปทาให้มากขึ้นการทําสติปัฏฐานสี่เราต้องทําทั้งสี่ข้อพร้อมกันหรือพิจารณาเป็นข้อๆไปครับรามันเป็นชางขั้นตอ น, นในสติปัฏฐานสี่ขั้นตอนที่หนึ่งคือการเจริญสติ เราต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกิริยาขั้นตอนที่สองก็คือพอเรามีสติแล้วเราก็นั่งสมาธิด้วยการเดินลมาหายใจเข้าที่ปลายจจนจิตเราสงบได้ฉายขึ้นมาหลังจากที่เราได้ฌานได้ชฌา น, า น, านเข้าออในสมาธิได้แล้วต่อไปเวลาเราไม่ได้อยู่ในสมาธิเราก็มาเจริญปัญญาพิจารณาร่างกายเพื่อปล่อยวางร่างกาย ถ้าเห็นวลาร่ า, ากายเป็นทุกข์เป็นตายรักเราก็จะปล่อยนายแล้วก็พิจารณาเวทน า, ทนาแล้วพิจารณาจิตตาลาดับต่อไปอันนี้เป็นขั้นปัญญาขั้นที่สามทำไมเวลาฟังธรรมกับพระอาจารย์แล้วรู้สึกจิตใจสงบมีสมาธิหรือเพราะกระแสะเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์ครับเพราะกระแสธรรมนี่มันกล่องใจธรรมะเป็นของเย็น มันก็เรเปิดห้องแมรขึ้นมาเปิดเครื่องป่ับอากาศขึ้นมาในห้องมันไม่ทําให้ห้องเย็นขึ้นมาไม่เหมือนกับฟังการเมืองไม่อหมือนธุรกิจกา ร, ราคาร้าขายที่มันของร้อนองเราเก็ขคร่วมร้อนใจขึ้นมาได้จิตเป็นกลางแล้วเขาด่าเขานินทาว่าร้ายจิตก็เฉยเฉยไม่รู้สึกโกรธจิตเป็นกลางแล้วจะเป็นกลางตลอดไปหรือเปล่าครับก็ต้องสังเกตดู เราบริกรรมพุทโธแล้วปฏิบัติมือไปด้วยได้ไหมครับเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิไม่ควรเคลื่อนไหวทางร่างกายเลยถ้ายังมีการเคลื่อนไหวก็แสดงว่าใจ ย, ยังต้องทำงานอยู่ใจ ย, ยังทํางานอยู่ใจก็จะเข้าสมาธิไม่ได้วันที่ให้ใจเข้าสมาธิใจต้องไม่ทําอะไรกับร่างกา ย, ยหมายให้ร่างกายนั่งนิง่เฉยแล้วใจก็ต้องหยุดความคิดให้ได้เพื่อจะเข้าสมาธิได้ ถ้าคนไม่ดีได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์จะเปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ดีได้ไหมครับก็แล้วแต่เขาในสมมัยพุทธกาลองค์ผู้ที่มาฟังธรรมจากพระเจ้าก็เปลี่ยนนิสัยได้ก็แล้วแต่เขาฟังแล้วเขาประทับใจเขาเชื่อหรือเปะเขาเข้าใจนึเปะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทามันผิดเมื่อสิ่งที่เราบอกมันถูกก็อาจะเปลี่ยนก็ได้ การทานเนื้อสัตว์ที่เราไม่ได้ฆ่าเขาจะบาปไหมครับไม่บาปถ้าเป็นของตายแล้วเช่นะถ้าเราไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ขายในตลาดที่ตายแล้วทําแหลกแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเรืการฆ่านี่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเห็นแม่ชีบางคนไม่ไหว้คารวาสที่อายุมากกว่าเพราะว่าถือตัวเองถือศีลแปด แล้วไม่ชี้รู้ได้อย่างไรครับว่าเราที่อายุมากกว่าไม่ได้ถือศีลแปดเพราะการถือศีลแปดไม่ได้อยู่ที่ชุดขาวครับแต่ทำงานทั้งเรกก็ดูที่ยูที่ดูที่เครื่องแบบแล้วดูที่สถานภาพอย่านั้นก็ต้องเ้ารบ ก, กันไปตามตามเครื่องแบบามสถานภาพานันเองแต่จิตใจคนที่ไหวอาจจะสูงกับคนที่ถูกวหวก็ได้อันนี้ไม่สำคัญประเด็นก็คือ ถ้ามาเป็นนั่งบวชหรือถ้าเรามาเข้าหาศาสดาแล้วสิ่งที่เราต้องเป็นต้องทําก็คือเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะนี้เป็นบุญไม่กุศลอย่างนึ่งอย่าไปถือตัวเป็นการการถือตัวนี่มันกิเลดการอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นการลดเกลียดลงให้น้อยลงกราบขอปัญญาครับคือเวลานั่งสมาธิจะถนัดคําบริกรรมพุทโธ แต่มีคนบอกว่าพุโทโธตลอดจะไม่มีความก้าวหน้าให้คิดถึงคำอื่นบ้างเช่นพรหมวิหารสี่หรือธรรมะข้ออื่นแต่เราถนัดแบบนี้แล้วบางทีก็ดูลมเพราะใจสงบกว่าแบบนี้ทำถูกไหมครับถวกแล้วใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปทข้าวดเลยก็ได้ถ้าหากเราดูแลสุขภาพตัวเองดีไม่ประมาทแล้ว ธรรมะข้อใดทำให้เราอายุยืนสุขภาพแข็งแรงครับต้องการปฏิบัติภาวนาให้นานที่สุดในพบมนุษย์ครับราการทำให้อายุยืนนี่มันไม่ใช่เป็นของที่เราสามารถที่จะไปสั่งมันได้เพราะร่างการมันเป็นอนตัต่าไม่หยุดพอยใต้การาควบคุมนะครับเราแม้แต่ผู้ใจ้ายังอยู่ได้แค่แปดสิบปีนะเลยการที่ยัมีอายุยืนยื้อสั้นนี่มันจะอยู่ที่วิบากกรรมของเราด้วย อดีตประชาชนเราทําบังทำานำบ้างมามากน้อยเท่าไรเมืเ่อไรทำใหมอายุของเราสรั้นหรือ ย, ยาวต่างกันไปก็ได้ไย่เ น, นี่ยไปกังวนเลยว่ามันจะยาวหรือจะสัน้นข้อสำคัญก็คือเวลาที่มันยังมีชีวิตอยู่นี้พยายามตัดตัวประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดจะดีที่สุดนะคนสูงวัยในบ้านไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคหูแว่วทั้งๆ ท, ที่ทุกคนในรอบข้างลงความเห็นว่าเป็นโรคนี้จริงแต่เจ้าตัวไม่ยอมรับ ควรวางใจอย่างไรเพราะทุกคนเหนื่อยมากครับที่ย่าไปพังครับเขาสิเขาจะเขายจะเขาจะไม่ยอมรับก็ปล่อยเขไม่ยอมรับไปเท่านั้นเองที่เหนื่อยก็เราไปชักกระเยาะเขาเขาไม่ยอมรับไปอยากให้ก็รับมันก็เลยเหนื่อยถ้าเราบ่าเขาไม่ยอมรับก็ปล่อยเขาไม่ยอมรับไปก็จบไม่ต้องไปพูดวายกับเขาเลยทำไมพูดวายกับเขาเองเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ใช่ไหมตัวเรามัน่าจะรู้ตัวเราเองดีกว่าคนอื่นใช่ไหม เป็นหรืไม่เป็นอะไรเมื่อเขายินเขาไม่เป็นก็ก็จบแล้วละกันถ้ามันต้องบัญญัติยืนให้เขาเป็นด้วยครับอยากจะเริ่มทําสมาธิให้ได้สักทีครับยากเหลือเกินครับพยายามฝึกสติ บ, บ่อยๆฝึกอะไยๆพุทโธพุทโธเนี่ยคําเดียวเนี่ให้อยู่กับพุทโธให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในระหว่างวันนะก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ เราจะเห็นว่าการนั่งสมาธินี้ไม่ยากเลยถ้าเรามีสติคุณนีระดานะครับถ้าบวชมาจากวัดอื่นจะขอไปศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมที่วัดยานได้ไหมครับผู้หญิงครับคือผู้หญิงก็เขาก็มีกฎเกณฑ์สำหรับผู้หญิงที่มาอยู่วัดก็ให้อยู่ได้ครับว่าไม่ เ, เกิเนเจ็ดวันถ้าเป็นพระก็สามารถี่จะมา สอบถามขออนุาต จ, จะเจ้าอาวาได้ว่าท่านจะให้อยู่นไม่รืออยู่สั้นหรืออยู่ยาวอันนี้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเพิ่งเริ่มฝึกนั่งสมาธิเหมือนจิตจะรวมบางครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่รวมอันนี้คือฝึกมาถูกทางแล้วหรือเปล่าครับถูกทางก็อาจจะผิดตรงที่ว่ารา จ, จะไปจดจอ่ออยากให้มันรวมก็ได้เวลานั่งอยากก่าไปอยากให้มันรวมให้มีสติอยู่กับกรรมาฐานก็พอ ส่วนมันจะลงหรือไม่ลงเราไม่ต้องไปสนใจอย่าไปเก่งอย่าไปอย่าไปแรงให้หนัรงอยู่กับสติอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับลมหายใจที่เราใช้เป็นเครื่องปูกใจเธวมันจะลงไม่ล ง, มลงนี้อย่าไปสนใจถ้าไปคอยจอ่อไปนึกถึงมันล้วมันจะลงอยากให้มันลงนี่มันจะไม่ลงมีคนบอกว่าเวลาใส่บาตรไม่ควรอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไม่ทราบว่าจริงไหมครับ คือเราไม่รู้ว่าเจ้ากออรรมายเวรเขาอยู่ในสถานภาพไหนไนการที่เราุทิ้บุญนี้เราก็อุทิศให้กับที่ดววิญญาณที่เป็นเปรตได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้เาจะอุทิศให้ใครก็ได้ได้แต่เขาต้องเป็นเปรตและเขาต้องมรอรับบุญเขาถึงจะได้รับบุญคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบครับขอวิธีปล่อยวางจากพระอาจารย์ครับ ก็เป็นเร่งธรรมดาคนเราเกิดเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปในที่สุดเป็นธรรมดาลดพ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยต้อพ้นความตายไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้บ่อยๆเรื่องใจาเราจะค่อยๆสืบสร้างแล้วก็จะยอมน้ับได้ในที่สุดการเรียนถามครับคนเราเกิดมาบางคนทํางานแต่เก็บเงินไม่ได้แต่อีกคนทํางานเก็บเงินเหลือพอกินพอใช้ เปรียบเทียบคนสองคนนี้เจอวิบากอะไรครับวิบากก็คือกิเลสนีใยความอยากถ้าอยากมากก็จะใช้เงินมากถ้าอยากน้อยก็จะใช้เงินน้อยก็มีเงินเก็บเจ้าคุณปรียนธรรมก้าสหพรสหธรมมิกหลวงตามหาบัวท่านลาจากกันเป็นจะวาดมาภาวนาช่วงวัยชราโดยอาศัยฟังเทปหลวงตา แล้วพอท่านเสียแล้วกระดูกท่านกลายเป็นพระธาตุแสดงว่าท่านมีปัญญาบารมีระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับใช่กระาูกเป็นพระธาตุแสดงว่าท่านเป็นผ้าหนา <c oughs> ชาตินี้มั่นใจตั้งมั่นว่าสี่ห้าจะไม่ขาดตายแล้วโอกาสลงอบายน้อยลงแต่หากยังไม่ได้โสดาบันชาติถัดๆไปจะทำอย่างไรให้มีวาสนาได้เจอพระพุทธศาสนาอีกได้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนให้มีความเห็นถูกต้องและก้าวหน้า สู่ความหมลุดพ้นมากขึ้นครับเรากําหนด ไ, ได้หรือเปลาว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมนะครับของเราการเกิดของวัฒาานารรมแต่ละครั้งนี้มันใช่ไม่ใช่เป็นของได้ไม่ใช่เกิดขึ้นได้บ่อยๆนานถึงจะเกิดขึ้นได้สต่ครั้งหนึ่งครูบาอาจารย์ที่จะเ่อดก็เรามากับบาบศาสนาพุทธต้องให้เป็นาศาสนาพุทธครูบาอาจารย์ที่รู้เรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกัน กนอย่าไปกังวลกา ร, ราละคนให้กังวลกับปัจจุบันดีกว่าตอนนี้เราเจอพระพุทธศาสนาแล้วเรามีครูบาอาจารย์เยอะแยะที่จะคอยสั่งสอนเราแล้วถ้าเราเลือกเอาเวลาที่เราไปอยู่นี้มาให้กับการตัดดวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจะดีกว่านี่เราไปกังวลถึงอนาคตเพราะถ้าเราตั้งใจปฏิบัตรจริจริงๆรนี่ไม่ดีชาตินี้อาจจะเป็นชาติทุกทายของเราก็ได้แล้วทากังวลเกี่ยวกับอนาคตต่างก็ยังไม่ไม่เป็นปัญหาเลยไม่จําเป็นเลย ที่อ้อคิดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แม้มีทุกข์แต่ก็ดีกว่าตกนรกทําให้คิดว่าไม่ทําความชั่วก็เกิดเป็นคนได้คิดอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องถ้าไม่ทํำบาปเลยนถ้าไม่ได้ทํำบาปไม่ได้ทำมุ่งใดก็ตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนมุษยได้ มีอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นมีภรรยาก็ทุกข์มีลูกก็ทุกข์เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตก่อนออกบวชควรค่อยๆปละเปลืองพันธนาการออกให้หมดไม่ผูกมัดกับสิ่งใดผมทําแบบนี้ถูกไหมครับถ้าเราตัดไม่ถ้าเราต้ไปบวชไม่ได้เราต้องตัดสิ่งที่เรามีก่อนเราถึงจะไปบวชได้ถ้าบวชจริงๆนะแต่ถ้าบวชแบบชั่วคราวนี่ก็อันนี้คขาละเมอหก่อยบวชชั่วคราวนี่ก็เหมือนกับบวช เ, เล่นละคร หังไปสามเดือนเลยเรื่องนะครเป็นพระสามเดือนเสร็จแล้วก็เสร็จออกมากลับมาเป็นคารวานเหมือนเดิมกลับมาหาสิ่งที่เราผูกมันติดอยู่เหมือนเดิมอนี้ก็ไม่ได้ตัด อ, อะไรเลยขอปัญญาพระอาจารย์ครับเวลาที่ใจเราเผลอคิดไปถึงเรื่องคนที่เราไม่ชอบให้รีบคิดถึงพุโทโธ ท, ทันทีแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องลบความคิดไม่ดีไปด้วยการใช้พุโทโธเป็นเหมือนยางลบ หลังจากนั่งสมาธิแล้วเราควรจะต้องแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนกุศลทุกครั้งไหมครับไม่กุศลจะแผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้้แต่เรากราบขอโอกาสครับถ้าเราเข้าห้องน้ำเราเปิดฟังพระเทศในห้องน้ำแบบนี้บาปไหมครับมันะจะไม่สมโกชนเพราะว่าธรรมเนีนของสูงเราควรจะฟังธรรมเนี่มที่ที่เหมาะสม ห้องน้ำเนี่ยจะไม่เป็นที่เหมะสมในการฟังธรรมยกเว้นว่าถ้าเราฟังในใจฟังเ้วยหูฟัง เ, งง น, น, เนี่ยอาจจะฟังได้เพราะไม่มีใครรู้ใครเห็นถ้าไม่อยู่กับพุทโธแต่เราฟังธรรมบางครั้งอ่านประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนี้ถือเป็นการทําสมาธิไหมครับในกา ร, จราเจริญปัญญาในการเรียนรู้ความความรู้ต่างๆน่าจจะมีสมาธิเกิดขึ้นได้มากในระดับไม่ได้ ไม่ได้มากมายถึงจะเข้าไปในสมาี่ไม่เริได้อาจจะทำใจให้ไม่ให้ฟุ้งซ่านได้การที่เราอยู่กับลมหายใจอย่างมีใช้การภาวนาหรือเปล่าครับใช่ถ้ามีสติรู้อยู่กับการหายใจเข้า น, นี้ก็เรากำลังภาวนากนะารเรียนถามครับ การได้ปฏิบัติธรรมใกลใ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รู้วาระจิตเราหรือแตกฐานในการให้กรรมฐานจะทําให้ภาวนาก้าวหน้าได้เร็วกว่าไหมครับหรือไม่ควรยึดติดที่ตัวครูบาอาจารย์ครับครูอาจารย์ที่เราควรจะยึดติดคือความเรื่องวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องส่วนเรื่องการรู้วาระจิตของท่านนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันอาจจะช่วยทําให้เรามีความระมัดระวางมากขึ้นแทนที้เราจะขี้เกียจเพรเรากลัวว่าถ้าเราขี้เกียจเนีน่ท่านสองจิตมาดูแล้ว พยานเลยว่าเราครียดเหี้ท่านก็อาจาจะตำหนิดาวน์พูดเลว่ากาล่าวตักเป็นดาก็ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือธรรมะที่ท่านสอนดาวนา์นี้ทําให้เราสามารถนําองไปปฏิบัติแล้วฝุทุนจากความทุกข์ได้เห็นมากมากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาพระอัจฉรยังมีความสนใจอ่านพระตพไตรปิฎกไหมครับ ถ้ท่นานจะอ่นอออก็่านด้วยด้วยด้วยกิริยาคืออยู่บ้างๆทําอะไรก็มาเปิดหนังก็ได้พระอาจารย์เคยสนทนากับหลวงพ่อสุเมโธบ้างไหมครับไม่เคยไม่เคยเคยเห็นท่านไม่ว่าป่าบ้านตาตอนที่ท่านจะไปไปไ ป, ไปประเทศอังกฤษท่านไปลาแล้อไปคุยไปศึกษากับท่านท่านอาจารย์ปัญญา ที่ว่ า, าตากันตากันเห้นท่านอยู่นัดครั้งเดียวแต่ไม่ได้มีโอกาสใด้คุยกับท่านกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับการเดินจงกรมทําให้จิตตั้งมั่นได้ดีกว่าการนั่งสมาธิที่ทําให้สงบไหมครับ อ, อ๋อไม่หรอการนั่งสมาธิเนี่จะเดินจิตที่ตั้งมั่นและสงบได้มากกว่าการเดินจงกรม ขอความใม้ตาพระอาจารย์แนะนําการปฏิบัติที่บ้านให้เป็นวัดครับก็เมือนตอนที่เราอยู่วัดเนี่ยที่วัดไม่มีโทรทัดไม่มีตู้เย็นเราก็เอาทรทั์ตู้เย็นออกจากห้องที่เราปฏิบัติไปยู่ในห้องที่ว่างๆไม่มีอะไรไม่มีเรืูปเสียงจิงแล้วแบบล่อหัวล่อใจเราทําห้องปฏิบัติทาเป็นเหมือนกับห้องที่เหมือนกับห้องที่เราอยู่ที่วัดที่กุฏิ คือในวัน น, นี้เขาไม่มีอะไรให้เรานอกจากที่นอนอาจจะนด้กับเพื่อนมีเสือ่อมีหมอให้เราแล้วนอานั้นก็อาจจะมีห้องน้ำหน่อยให้เราใช้นอนนั้นไม่มีอะไรเครื่องบันเทิอะไรเครื่องันอํานวยความสุข ต, ต่างๆตู้เย็นขนมการกินอะไรยังจะไม่มีในห้องเพราอยู่ใกล้แล้วเียวมันอดไม่ได้เห็นแล้วก็อากจะดูไม่ได้เห็นต้เย็นแล้วอดที่เเปิดไปได้ หนูฝึกปฏิบัติวันละในรูปแบบวันละสามถึงสี่ชั่วโมงระหว่างวันฝึกรู้กายและรู้ทานอารมณ์ที่เกิดสามารถมีสติต่อเนื่องได้ทั้งวันค่ะหนูคนฝึกแยกขันได้หรือยังครับก็จะฝึกท่านตอนที่เราไม่ได้อยู่ใ น, นไม่ได้ฝึกสมาธิเราตกอฝึกแยกขันเรื่อยๆก็ได้ใจกับร่างกายควรสวดกันใจเป็นนามขันร่างกายเป็นเป็นรูปขัน มารวมกันทําหน้าที่ต่างๆให้กับใจแต่วันหนึ่งร่างกายนี้ที่เป็นรูปปัจจานนี่ก็จะต้องสิ้นสุดลงเพราะไม่ใช่ของที่จีรามยั่งยืนเป็นอนิจจังอนัตตาแล้ ว, ก, ก, วลก็ยากได้ในขณะที่เราไม่ได้เข้าสมาธิแล้วที่เรานั่งนั่งนั่งสมาธิแม่จิตสงบนี้เราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้มีการคิดไม่ให้มีการแยกกันให้นิ่งอยู่กับอุโทโธและอยู่กับลมหายใจคอย่างเดียว ขอาก า, าร์ดผู้อาวุโสครับเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จปกติใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่แม่บอกให้ลองท่องพุทโธพุทโธเอาจิตไว้ที่สะดือนั่งไปสักพักวูบหลับไปแบบนี้ควรแก้ไขยอย่างไรดีครับก็สติแล้วมีไม่มากพอนะต้องฝึกสติให้มากกว่าก่อนที่เราจะมานั่ง ในขณะที่ไปวิ่งออกกําลังกายแล้วสวดอิติปิโสไปด้วยแบบนี้ได้หรือไม่ครับได้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งวิ่งไปก็สวดไปภายในใจนอนทําสมาธิได้ไหมครับได้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยได้ผลเพราะมันจะหลับก่อนพอร่างกายสบายแล้วจิตก็จะสติกระเจ้อ่อนลงแล้วก็จะเคลื่อหลับไปต่อไปพ้าอยู่ในที่ที่มันไม่ค่อยสบาย ถาามม้สมกขึนคนถาม พ, พระธาตาจะเกิดกับพระที่ดับขันไปแล้วใช่ไหมครับพระที่บรรลุธรรมแล้วครับก็ะธาตุนี้จะเกิดกับพระที่เป็นพระนะคือขั้นสูงสุดแล้วเกิดขึ้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้แต่เราไม่รู้ท่านเองแต่ม่รู้ก็ตอนที่เขาล่ามการท่านไปชาพินกิจแล้วก็พอ เราก็จะเห็นพระทานุอะไรกันดูเป็นบางส่สวนคนที่นับถือศาสนาอื่นสวรรค์และนรกเหมือนกันไหมครับแล้วสามารถหลุดพ้นได้ไหมครับหรือว้าแต่ละศาสนาก็าจะก็จะจินตนาการว่าสวรรค์และนรกเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องศาสนาอะไรๆไม่สามารถที่จะพูดได้แต่ก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะ คือหลังจากที่เราตายไปมันก็มีสองที่เราจะไปสวรรค์และนรกนะสวรรค์ก็คือที่ที่เรามีความสุขเราวิญญาณมีความสุขแล้วก็เป็นที่ที่เราวิญญาณมีความทุกข์อันนี้มันน่าจะเหมือนกันทุกษาสนาวันเปิดโลกที่วัดยาณตอนกลางคืนมีนั่งสมาธิเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าไหมครับที่วัดยานไม่มีวันเปิดโลกนะวัดยานเขาก็มี ไม่มีไม่มีวันพิเศษอันนี้เป็นเรื่องของของวัดป่าบรรทารของวัดของตานหาบัวที่ท่านที่ท่านทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่น้องรับไปแล้วท่านได้ขอวันเปิดโลกกลับเรียนถามครับอารมณ์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้าสามีภรรยาหมดรักกันแล้วถือว่าไม่ซื่อสัตต์ต่อกันไหมครับต้องวางจิตอย่างไรจึงจะอยู่ด้วยกันไปได้นานๆครับ ถ้ายังอยู่ด้วยกันก็ต้องซื่อสัสตย์ต่อกันใครมันจะไม่นักกันก็ไม่ทําเดศีลก็คือเราไม่ไปโ่วมน้าวเกับคนอื่นอย่างถือว่าเรามีภรรยาคนเดียวของเราคนเดียวไม่ไปมีภรรยาคนที่สองคนที่สาถ้าอยากจะมีคนอื่นก็ต้องโน้ากันไปก่อนอันนี้เหลยสองนาทีแต่ว่าคําถามหมดครับสามารถจะส่งคําถามเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับ มีพระอาจารย์ตอบหมดเกลี้ยงเลยครับพระอาจารย์ครั mm. อ๋อมีมาแล้วครับพระอาจารย์ครับอายุมากแล้วเวลาทําสมาธินั่งขัดสมาธิไม่ได้นานจะนั่งขัดเทียบแทนได้ไหมครับได้นั่งในท่าไหนก็ได้อันนี้ไม่มีใครส่งคําถามมาเพิ่มครับมีแต่กราบขอพระอาจารย์ให้พระอาจารย์มีธาตุขันธ์ที่แข็งแรงนะครับ นะจงอานมโมทนาร้อยสมพรปะโอ้พร้อมรางายไม่ประเสริฐเท่ากันไม่มีโรคโรคภายไข้เจ็บอารมขยาดละมานาพาความไม่มีโรคเป็นน่าประเสริฐเวลาท่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่รู้ความหมานีน้ถ้าเราเจ็บคข้ได้่วเราจะรู้สึกว่าโอ้เป็นล่าประเสริฐจริงๆแต่การที่หายเจ็บหาจกากโรคภัยไข้เจ็บนี่น ความสุขอย่างยิ่งแต่ก็ล้องรับรับวิบาิกลับของเราไปเมืเ่อเกิดมาทุกคนก็ต้องเจ็บใครได้ป่วยเป็นธรรมดาท่านเจรมากเจ็บน้อย ก, ก็ขึ้นอยู่กมมับบุญโบาที่เราทามาบ้างน้อยเอ่น้นองเมื่อมาเกิดแล้วก็ต้องเจออย่างแน่นอนให้เราทำใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวางอยู่คำนันไปสองคาสุดท้ายครับอาจารย์ครับ ทำสมาธิถ้านอนแบบศพมือขวาวางทับมือซ้ายวางที่หน้าท้องดูลมหายใจเข้าออกจิตหลับและรู้สึกตัวอีกทีเกิดแสงสว่างจากนั้นดูจิตไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ไหมครับได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นสมาธินะเป็นเรื่องของกายจิตอาจจะเคลิ้มหลับแล้วก็มีการจินตนาการปรุงแต่งอะไรขึ้นมามน อ, ยน อ, ยนอยู่ในอยู่ในการของความฝันก็ได้ คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับนั่งขัดสมาธิเพชรดีกว่าขวาทับซ้ายไม่คับรู้สึกว่าหลังตั้งตรงง่ายกว่าครับก็แล้วแต่เราเราสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบแบบนั้นที่ดีที่เหมาะกับเราเราก็ใช้แบบนั้นไปแต่การทํากันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งไปอย่างเดียวการทำคันอยู่ที่สติ ถ, ถ้านั่งท่านั่งดีแต่สติไม่ดีก็ไม่เกิดประโยชน์เลยขอบคุณครับอาจารย์ครับวันนี้ พระอาจารย์มีเพื่อนชมในเฟซห้าร้อยสี่ิบหกท่านนะครับในยูห้าหก้อยสี่สิบในคลับเจ็ดในติ๊กตอกสามร้อยหกสิบสี่ครับรวมหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบเจ็ดท่านนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สบนาฬิกาสิบหกนาทีครับวันนี้พระอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยสิบห้าคำถามครับผมก็ยิ่ดีกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่มสนทนาธรรมหวังว่าจะเป็นมงคลอย่างยิ่งตามในการนำนสนอที่ได้ทรงตรัสว่า กาเลนะธรรมศาสากาฉาเอตัมังธรมุตังมังการสัมดนาราธรรมตามอกาศเป็นมงคลอย่างยิ่งนณะวันนี้การแสดงการสารัมดา า, าธรรมท็หบนเวทนาพอดีก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อการสึบความเจริงในธรรมนิ้งขึ้นไปเทอาน้นสาธุ ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฝางไว้เพียงเท่านี้ถ้ามันมีเหตุ ข, ขัดเข้ามาได้ก็คงจะพบกันอีกเช่นเคยในอาคิตย์หน้าวันหนึ่นขอเจริญพรขอบคุณพระอาจารย์ครั